บเวสุติงสปารมีนมามิศิราสานิจังปุเรตวะอาคโตววรังโมขังนาโทอภิชันโตเดวายังหิตวะสารตกคัง โมดังวเนสุดุการังนา ม, ามิศิระสาดารังพระนราสภาผู้ทรงบำเพ็ญพระบารมีสามสิบทัตนับพบนับชาติไม่ท้วนได้ทรงเสด็จมาดีแล้วข้าพระเจ้าขอนอบน้อมกราบไหวพพ้พระนราสภาผู้ประเสริฐพระองค์นั้นด้วยเสียเกล้าวเป็นนิด พระนาถะทรงปราถนาโมกษธรรมคือธรรมที่เป็นเครื่องหลุดพ้นจากวัฏสงสารทรงสระพระราชะโอรสและพระมเหสีทั้งสองพร้อมได้แว่นแคว้นแล้วทรงรื่นลมในภัยสนข้าพเจ้าข อ, อนอบน้อมกราบไหว้พระนาถะผู้ทาสิ่งที่ทำได้ยากพระองค์นั้นด้วยเสียนเกล้า ตัสสามูระหมหายาโนอุเปสิโพธิปันเเรตัสสบุทธฐาปาเดจาสโบทยโยอนมามามีหังพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงมีพญานันยิ่งใหญ่เสด็จเข้าใกล้ควงไม้โพธิพฤกษ ข้าพระเจ้าขอนอบน้อมกราบพ ร, พระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมด้วยโพธิพึกอันสูงสุดนั้นภาคาวาอาคมาเคนาปัญจมาเรอเสสโตพันชิตวาสิสขาปโต สปลาลังคังนามามิตังขนน ต, ตาวามุนิวโรตามาอานิมีเซวราเสนคคเ น, ขาขาเนปุณจันโดวาสานิมีสังนามามิตังวันตามิสโสนเพนโท ดัศตวปตฏิหาริยหังวสนาด้วิญาจังกมีสจังกาหังนามิตหังตรณัตทิตสังกาโสโลกาโครัตนาคเรตุเสศิชนังรังเสหี สักการะหังนะมหามีตหังพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชนะมารทั้งห้าพร้อมด้วยกองทัพโดยสิ้นเชิญด้วยอรัฐมักขยานทรงบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมด้วยโพธิบัลลังนั้นพระจอมุนีเสด็จออกจากโพธิเพิกแล้วเสด็จประทับยืนณสถานที่อันประเสริฐ ด้วยพระเนตพระเนตรที่ไม่ทรงกับพริบเปรียบดังพระจันทร์วันเพ็ญบนท้องฟ้าข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระมหามุนีพระองค์นั้นพร้อมด้วยสถานที่ประทับยืนอันไม่ทรงกับพริบพระเนตรพระนาถาเจ้าผู้คลายอามิตรคือเครื่องล่อออกแล้วด้วยการแสดงยมกาปฏิหารอันน่าอัศจรรย์สเสด็จจงกรมอง อ, องอาจดังราชสีนรัตนะจงกรมเจดี ข้าพเจ้าข อ, อนอบน้อมกราบไหว้พระนาถาเจ้าพราะองค์นั้นพร้อมด้วยสถานที่จงกรมนั้นด้วยความเคารพพระไตรโล ก, กนาถพวกเปรียบเสมือนเสาเขื่อนอันมั่นคงเสด็จประทับอยู่ณนะรัตนคราเจดีเจดีเรือนแก้วยังมหาชนให้สมณั์ด้วยพระราชมีกล่าวคือฉัพพันณรังสีข้าพเจ้าข อ, อนอบน้อมกราบไหว้พระไตรโล ก, กนาถพระองค์นั้นพร้อมด้วยรัตนคราเจดีเจดีเรือนแก้ว แห่งนั้นด้วยเสียงกล่าวขอมัว น, นากับเราท่านทั้งหลายตั้งใจในการที่จะมาฝึกขัดขัดเกล้าแล้วก็อบรมในการที่จะมาบ่มพา อ, อัธยาศัยของตนเองให้เข้าถึงศา ส, สนาธรรมคําสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอเราท่านทั้งหลายจงตั้งใจในการที่จะรับ ฟังพระธรรมอันประเสริฐที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ไว้ดีแล้วทีนี้ในการที่เราท่านทั้งหลายในการที่จะรับฟังคำสอนเนี่ยดังที่ได้กล่าวไว้แต่ทีแรกว่าหนึ่งการฟังที่จะเป็นอุปสรรคนั้นก็คือการดูหมิ่นผู้พูดสองก็คือการดีดีดูหมิ่นเรื่องที่พูดสามก็คือดูหมิ่นตนเองเป็นต้น ประการสุดท้ายก็คือว่าไม่ตั้งโยนิโสและสิการในการฟังก็คือไม่ตั้งใจด้วยความเคารพตรงนี้เราท่านทั้งหลายก็จงขจัดสิ่งต่างๆเหล่านี้ออกเสียจะได้ไม่เป็นอุปสรรคในการที่จะฟังว่าทธรรมถามว่าทั้งหมดเหล่านี้ประโยชน์ที่เราจะได้รับคืออะไรก็คือการที่จะเราจะได้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจ โดยเฉพาะก็คือว่าสิ่งที่เราจะเอาไปใช้ในชีวิตจริงเพราะว่าชีวิตของครหอัสเนี่ยนะเป็นชีวิตที่ว่าเออเราจะทำยังไงที่เราจะมีมาตรฐานของชีวิตหรือมาตรฐานของชาวพุทธชัดเจนเนี่ยครหอัสนั้นอยู่ในสภาพแวดล้อมอีกแบบหนึง่งและก็มีวิถีทางดำเนินชีวิตออกไปอีกแบบหนึง่งเพราะฉะนั้นน่จึงมีหลักความประพฤติบางอย่างโดยเฉพาะในส่วนเบื้องต้น ที่เป็นด้านภายนอกก่าวคือใน ร, ระดับศีลระดับทานกุศลซึ่งเป็นเรื่องที่คริอข่าจะต้องประพฤติปฏิบัติน่ต่างจากพระภิกษุเพราะฉะนั้นเราในฐานะเป็นครือข่ายเนี่ยนะคสอนที่พระบรมศาสดาสอนเกี่ยวกับคฤหัส่าที่เป็นหลักความประพฤติขั้นพื้นฐานเนี่ยยังมีมากไม่ใช่แค่ศีลห้า เราท่านทั้งหลายคงจะคิดว่าพระพุทธเจ้าสอนเพียงแค่ศี่ห้าคือการงดเว้นจากการฆ่างดเว้นจากการลักงดเว้นจากการประพฤติผิดในกรรมงดเว้นจากการพูดเท็จส่อเสียดคำหยาบเพ้อเจอ้องดเว้นจากการดื่มสุราและเมลยัยไม่ใช่เพียงเท่านั้นพระพุทธเจ้าเคยแสดงคําสอนและเทศไว้แห่งหนึ่งนะในพระสูตรพระสูตรที่ทรงแสดงหลักความประพฤติของเครือขัดเนี่ยประมวลข้อปฏิบัติไว้มาก ต่อมาเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดคื อ, คอว่าพระพุทธเจ้าจะสอนในเรื่องของคาว่าวินยัยหรือที่เรียกว่าวินัยของเครือขัดคือพระสูตรที่เรียกว่าสิงขารกษสูตรพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระสูตรนี้แก่มานพคือชายหนุ่มรูปผู้ดีที่มีชื่อว่าสิงขารกะบางทีเขาเรียกว่าศิลาโลวาทสูตรก็ได้คําสอนของพระพุทธเจ้าในสิงขารกษสูตรนี้ชาวพุทธทุกคนควรให้ความสําคัญ และนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังให้สมกับที่ท่านเรียกว่าเป็นวินัยของครือหัสเท่ากับว่าเป็นมาตรฐานชีวิตของชาวพุทธหรือเป็นแกนวัดความเป็นชาวพุทธว่าเราเป็นชาวพุทธที่บริบูรณ์หรือสมบูรณ์หรือไม่ก็ต้องวัดตองคำสอนของพพุทธเจ้าว่าคนที่มีความประพฤติทั่วไปตามกฎเกณฑ์มาตรฐานนี้จึงจะเรียกว่าเป็นชาวพุทธที่แท้จริง ถ้าไม่มีมาตรการฐานในการที่จะประพฤติปฏิบัติตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วอย่างนั้นเขาเรียวกว่าเป็นชาวพุทธที่ไม่จริงฉะนั้นเมื่อประพฤติปฏิบัติตามหลักคําสอนที่ชื่อว่าวางรากฐานของชีวิตให้มั่นคงพร้อมที่จะก้าวหน้าต่อไปในวิถีชีวิตที่ดีงามประเด็นก็อยู่ว่าการที่เราจะพบความสุขอย่างแท้จริงซึ่งเป็นประโยชน์แก่ตนเองและแก่สังคมได้หรือไม่นั้นก็ต้องมีความเข้าใจในสูตรนี้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นพระ ส, สูตรที่พระบรมศาสดาทรงตรัสสอนไว้กับครือขัดโดยเฉพาะโดยเฉพาะอย่างพวกเราทั้งหลายเนี่ยที่จะต้องเกี่ยวพันกับสิ่งแวดล้อมทั้งที่มีชีวิตและไม่ไ ม, ไม่มีชีวิตเนี่ยเออขอยกในพระ ส, สูตรนี้ในสิงหทารกาสูตรมีเรื่องอย่างนี้ว่าในะเล่าพอเป็นตัวอย่างวันหนึ่งพระพุทธเจ้าก็เสด็จจากวัดเวรวันวัดเวรวันในปัจจุบันนี้หรือในสมัยก่อนก็คืออยู่ในกรุง ราชครือยู่แฟนมคตถ้าใครเคยไปที่อินเดียก็จะจะเข้าใจวันหนึ่งก็คือว่าพระเจ้าเสด็จจากวัดเวรุวันจะเข้าไปบิณธบาตในเมืองราชครือเพราะวัดอยู่นอกเมืองใช่ไหมเมื่อผ่านไปใกล้ๆเมืองก็ได้ทอดพระเนตรเห็นมานพคนหนึ่งชื่อว่าสิงคารากกะตื่นเกิดเช้าออกมานอกเมืองราชครือแล้วก็อาบน้ํา ทำร่างกายผ้าผ่อนเปียกผมก็เปียกขึ้นมายืนกลางแจ้งแล้วก็หันไปทางทิศต่างๆไหว้ทิศนู้นทีไหว้ทิศนี้ทีรวมทั้งหทิศครบจนหมดทิศตะวันออกเป็นทิศเริ่มต้นแล้วก็ไปทิศใต้แล้วก็ไปทิศตะวันตกแล้วก็ไปทิศเหนือไปแล้วก็ไปทิศเบื้องบนแล้วก็ทิศเบื้องต่ําเห็นไหมนี่เขาไหว้หกทิศมีอะไรบ้างทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือ ทิศใต้แล้วก็ทิศเบื้องต่ำแล้วก็ทิศเบื้องบนเขาว่าอยู่อย่างเงี้ยว่าหกทิศพระพุทธเจ้าเสด็จเข้าไปทักทายแล้วก็สนทนาด้วยโดยได้แต่ถามว่าท่านทำอะไรชายหนุ่มนั้นก็ทูลตอบว่าข้าพระองค์ไหว้ทิศคือไหว้ทิศทั้งหกพระพุทธเจ้าก็ตรัสถามว่าทำไมจึงไ่าอย่างนั้น สิงคาลกาก็เล่าบอกกับพ่อผมกับผมเมื่อท่านนอนอยู่บนเตียงคนไข้ใกล้ตายเนี่ยท่านก็สั่งไว้ว่าเมื่อพ่อสิ้นลมไปแล้วขอให้ลูกปฏิบัติตามคำสั่งของพ่อขอให้ลูกเนี่ยวายทิศเป็นประจำนะคือวายทิศเป็นประจำจะได้เกิดเป็นสิริมงคลจเจริญงอกงามกับผมก็เลยปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพ่อเพื่อจะได้เป็นลูกที่ดี อันนี้ปแปลว่าอะไรอลูกทำตามคำสั่งของพ่อทีนี้ให้สังเกตดูนะว่าเศรษฐีซึ่งเป็นซึ่งเป็นพ่อของสินคาลกะเนี่ยที่บอกแบบเนี้ยแท้ที่จริงเศรษฐีเนี่ยเป็นคนมีปัญญาเพราะเป็นผ้าเลียบุคคลแต่บอกลูกลูกไม่เคยฟังบอกให้ไปเฝ้าพทธเจ้าเพราะคนเนี่ย ไม่ศรัทธาเนะี่ยบางคนเนะี่ยบอกไม่อยากไปฟังธรรมหรอกไปฟังธรรมต้องมานั่งปวดขาเขมาใจไหมลองเวลาเข้าไปหาพระเนี่ลําบากนะเราต้องไปนั่งต่ํากว่าพระอีกเออลาบากด้วยและอย่างหนึ่งผ้าก็เปื้อนเขาก็เจ็บเขาก็ด้านและอย่างไปไม่ไปป่าบางทีไปเราต้องเอาของไปให้พระด้วยมีแต่เสียกับเสียไม่ได้ประโยชน์เลยเลยเขาคิดอย่างนี้นะก็แปลว่าการเข้าไปหาพระเนี่ยเสียประโยชน์หรือได้ประโยชน์ เสียหรืได้เสียไงคนคิดแบบคนไม่เข้าใจอะ่ะไปก็คือต้องอะไรเนี่ยนอกจากไปเบ็ดเสร็จแล้วยังต้องไปคุกเข่าเขาก็ด้านผ้าก็เพื่อนแล้วยังมานั่งอย่างเงี้ยนั่งเบ็ดเสร็จก็ต้องมาทนฟางอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะเบ็ดเสร็จแล้วกลางก็ต้องยกมือพนมต้องยกมือไหว้ต้องเอาของมาให้อะไรก็ไม่รู้ย่งยากเหลือเกินจะคิดอย่างนี้ไงทีนี้พ่อก็เลยบอกเอ๊ะทำยังไงจะบอกลูกอย่างนี้ได้ก็เลยว่าพอตนเองจะตาย ก็เลยดำริดในใจว่าเอาละคนใกล้เราใกล้ตายในพ่อคงฟังลูกคงทำฟังตามคำสั่งของเราก็เลยสั่งแบบนี้พอสั่งไว้เบษษ็เสร็จแต่มีความรู้ว่าที่ตรงนี้พระเจ้าต้องบินบาทผ่านอยู่แล้วและพระเจ้าจะต้องช่วยลูกเราได้เห็นไหมนี่การวางแผนของพ่อเราเป็นครู ว, วางแผนอะไรให้ลูกศิษย์แบบนี้ไหมวางที่จะให้เขาได้ข้อมูลน่ะ ใช่ไหมเราเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเคยวางแผนอะไรไว้กับลูกไหมว่าจะให้เขาได้ชีวิตที่ดีงามยังไงพระเจ้าก็ตรัสว่าต่อมาก็ดังที่มาเจอแบบเนี้การปฏิบัติตามคําสอนของพ่อแม่นั้นดีเพราะท่านมีความหวังดีแต่การไหว้ทิศของเธอยังไม่ถูกต้องนะไม่เหมือนกับ ก, การไหว้ทิศในอารียวินไนคือในระบบแบบแผนของอรียชนคือชนที่เขาเจเริญแล้วเขาไม่ได้ไหว้ทิศแบบนี้ ถ้าโดยสรุปก็คืออย่างนี้ถ้าในระยชนชนที่เขาจเจริญแล้วเขาไม่ไปแก้บนเข้าใจไหมถ้าแบบมาตรฐานของชาวพุทธที่ดีเนี่ยเขาจะไม่ไปไหว้เจ้าเขาจะไม่ไปแก้บนเขาจะไม่ไปทาอะไรต่างๆที่ไม่มีเหตุผลข้างด้านปัญญารองรับนี่ก็เหมือนการน่สิงคาราคาเนี่ยก็ทาแบบไม่มีเหตุผลบางคนนะ บางคนเวลาจะออกจากบ้านต่างๆก็ไปจุดธูปหน้าบ้านใช่ไหมละยี่สิบดอกสามสบดอกก็ว่ากันไปเคยไ้ยเคยทำไหมบางคนก็จุดธูปกลางแจ้งกัาไว้บางทีจะเข้าบ้านต่างๆก็บอกอะไรก็ว่ากันเถอะใช่ไหมละ่ะหรือเวลาจะเดินออกจากบ้านเบเสร็จเนี่ยบางทีนะก็ยังมีว่าเออจะเอาขาไหนก้าวก่อนบางคนก็ดูเนี่ยสั่งดูลมหายใจ ถ้าข้างนี้ติีบๆตันๆบ่าข้างไหนโล่งเอาขานั้นออกก่อนก็ว่าจะโล่งทั้งวันเลยก็ว่ากงั้นเลยเคยเป็นไหมเล่าถามยิงเป็นไหมเคยทําแบบนี้ไหมไม่เคยเลยก็ถือว่าอะไรที่มันสะดวกที่มากที่สุดก็คือว่าจับดูยามสามตาบางทีเขาจะมีนะว่าอะไรนะหนึ่งศูนย์ สอง0 ส, สาสูนปอดศู น, น, น, นอะไรสี่ศนเนี่ยนะน้อบอกสี่ศพูนสวัสดิ์โอ้โหถี่4 0สองเดินทางเช่นนี้นี่ไงกลุ่มนี้แหละสรุปแล้วการไหว้ทิศในในในปัจจุบันก็มีอยู่แต่มันแปล ร, รูปไปนี่นะแปล ร, รูปไปพระเจ้กาก็บอกว่าการปฏิบัติตามคำสอนของพ่อแม่น่ะดีเพราะท่านมีความหวังดีแต่การไหว้ทิศของเธอยังไม่ถูกต้องยังไม่ถูกต้อง การกระทาที่ยังไม่มีเหตุผลยังไม่ถูกต้องไม่ใช่การไหว้ทิศในอริยวินยัยคือในระบบแบบแผนของอริยชนมานพก็สงสัยว่าอเออเราสงสัยไหมว่าเออการปฏิบัติแบบมาตรฐานชาวพุทธที่ถูกต้องเนี่ยในทิศในอริยวินัยเป็นอย่างไรพทธเจ้าก็เลยแสดงหลักคำสอนที่เรียกว่าสิงคาระกะสูรก่อนที่มานพจะไหว้ทิศเขาก็ไปอาบน้ำใช่ไหม อาบน้ําชำระร่างกายเป็นการเตรียมตัวก่อนแล้วก็มายืนไหว้พระเจ้าก็สอนว่าการไหว้ทิศนาเรียวในนานนทนองอย่างนั้นแหละแต่มันต่างกันท่านแรกพุทธเจ้าก็สอนขั้นที่หนึ่งก็คือหลักรักษาชีวิตให้สะอาดก็หมายความบอกว่าเธอเนี่ยเวลาจะมาไหว้ทิศเนี่ยเธอต้องไปอาบน้ําให้สะอาดใช่ไหมแต่งตัวให้สะอาดแต่ในอริยวินัยของพุทธเจ้าเนี่ยเวลาเธอจะไหว้ทิศเนี่ยเธอก็ต้องทําให้สะอาดเหมือนกัน แต่พระพุทธเจ้าขับการขับเน้นความสะอาดภายในคือละเว้นจากความชั่วต่างๆด้วยการชำระร่างกายให้หมดจดเสร็จแล้วก็มาไหว้ทิศแต่ถามว่าสิ่งที่ชั่วร้ายทั้งหลายเนี่ยมันมีเยอะพระพุทธเจ้าสอนใช้คำว่ากรรมมกิเลสก็คือการทำให้ตนเองอนะเศร้าเศร้าหมองหรือทำให้ชีวิตของตนเองเศร้าหมอง เป็นการกระทําที่เสียหายคือการดําเนินชีวิตหรือการประพฤติปฏิบัติเบียดเบียนกันอ่ะสี่ประการหนึ่งปาณาติบาตการทําร้ายการเบียดเบียนชีวิตร่างกายของบุคคลอื่นของสัตว์อื่นที่มีชีวิตถามว่านี่เศร้ามองไหมนี่สะอาดไหมนี่เขาเรียกไม่สะอาดพุทธเจ้าบอกนี่ไงนี่คือความไม่สะอาดถ้าจะชำระต้องชําระอย่างเงี้ยไอ้ชำระกรรมกิเลสตัวเนี้ยที่มันจะเป็นกรรมรบทนี่แหละ สองอธินาทานการลักทรัพย์หรือการกะเมิดละเมิดกรรมสิทธิ์ของบุคคลอื่นการทําให้ทรัพย์สินของบุคคลอื่นต้องวิบัติการคิดก็ดีการกระทําทางกายทางวาจาก็ดีสามการมีสุมิจชาจาร์การประพฤติผิดในการล่วงละเมิดคู่ครองของคนอื่นอันนี้เป็นความเป็นความสะอาดไหมการกระทําแบบนี้สะราดหรือไม่สะอาดสมุสาว่าการพูดเท็จการโกหกหลอกลวงทําร้ายเขาด้วยวาจา ข้อสอเสียดคายากก็ว่าไปสอย่างนี้เป็นกรร ม, มกิเลสก็คือความประพฤติเสียหายท่านเฮละเวน้นเออถ้าดูอย่างสอย่างข้อแรกนี้ในหลักศีบหแต่อาจจะสงสัยว่าข้อสุดท้ายคือสุราหายไปไหนอันนี้สําหรับบุคคลต้องการเก็บข้อมูลนะเออข้อสุดท้ายคือสุราเมรยะแมาชประมานี่นะหายไปไหนเอ้าครูทําไมกรร ม, มกิเลสที่พระเจ้าสอนเครือขัสเนี่ยทำไมสอนไว้แค่สี่ไม่มีข้อสุดท้ายคือ การงดเว้นจากการดื่มสุราและเมีอะไรตอบไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมตอบได้ไมถ้าตอบได้เอามามีพระอยู่องค์หนึ่งนะเป็นพระได้มาจากเป็นเออจากอินเดียเขาถวายมาเป็นรูปหลวงเจ้าเนี่ยปางนี้แหละปางพุทธเมตตาที่ทั้งซื้อสวดมนต์ อเอาไว้แล้วฮะไม่ใช่ต้องตอบปัญหาได้ไงแต่จริงมีมีมีนะมีอยู่เดี๋ยวจะไว้ตั้งรางวัลดีไหมดีนะมันติดอยู่ในย่ามมาตั้งนั้นแล้วเอ๊ะมาคว้าเจอไม่ได้บรรยายในหนังสือด้วยไม่มีในหนังสือเด้ย ต่อเน่งสือไม่ได้บรรญายออรู้แล้วว่าครูชอบอะไรกัน<า>ชอบเอาความสุขไปไว้<า>นอกตัวทั้งๆ ท, ท, ที่บอกว่าเออใช่ไหมมันเห็นเป็นรูปเป็นร่างเนาะเอ๊เอาถามหน่อยเมื่อคืนนอนกันดึกไหมดึกเปล่าเมื่อคืนนอนกี่ทุ่มกลับไปก็เรียบทํากิจตุลาก็นอนเลยเปล่านอนเลยนะ แล้วตื่นกี่โมงจร<อ>ิงระหว่างผู้พูดกับผู้มานั่งอย่างนี้ใครเหนื่อยกว่ากันผู้พูดเหนื่อยกว่าเยอะก็นี่ไงการที่จะได้ข้อมูลความรู้บางครั้งเราก็ต้องใช้ความอดทนค่อนข้างเยอะแต่อย่าไปอย่าไปนั่งด้วยการเกร็งตัวเองนะวางใจให้ดีโดยเฉพาะก็คือว่าถ้าตอนเช้าเรารู้ว่าเราเป็นคนง่วงมากก็อย่าทานเยอะ นะทันในน้อ ย, อยคืออย่างนี้นะว่ามีอยู่สี่ข้อจะไหมปาณาติบาตการการทำร้ายบุคคลอื่นอทินาทานก็การลักทรัพย์การเมตสุมิชฌ า, ารการประพฤติผิดในกรมและก็มูสาวาจการพูดเท็จพระเจ้าบอกว่านี้เป็นกรรมกิเลสคือการกระทําที่ทําให้ชีวิตมัวหมองเป็นการกระทําที่เสียหายคือการดําเนินชีวิตโดยการประพฤติ ท, ที่เบียดเบียนกัน4ประการ สี่อย่างนี้เป็นกรรมมกิเลสคือความประพฤติเสียหายท่านให้ละเว้นเสียดูคล้ายๆกับสี่ข้อแรกเนี่ยเหมือนในหลักของสีลห้าแต่อาจจะสงสัยว่าข้อสุดท้ายสุราหายไปไหนสี่ข้อนี้เป็นตัวกรรมนะเข้าใจว่าสี่ข้อนี้เป็นตัวกรรมคำว่าเป็นตัวกรรมแต่ข้อสุรานั้นไม่ใช่เป็นกรรมโบทนะเออเวลาเราศึกษาคาสอนเนี่ยแยกให้ชัด ข้อสุราไม่ใช่กรรมมบทเวลาพูดถึงหลักศีลห้าเขาเรียกว่าสิกขาบทใช่ไหมสิกขาบทศีลห้าแต่ละข้อเป็นสิกขาบทสี่ข้อต้นนั้นเป็นตัวกรรมบทด้วยแล้วก็เป็นสิกขาบทด้วยแต่ข้อสุราไม่เป็นกรรมบทเป็นเพียงสิกขาบทเข้าใจอะถ้าพูดอย่างนี้เดี๋ยวครูก็งงอย่างงงไหมงงใช่ไหมงงไหม ข้อสุดท้ายเป็นกรรมไม่เป็นกรรมบทแต่เป็นสิกขาบทกรรมบทนั้นเป็นตัวกรรมการเข้าไปทําร้ายชีวิตร่างกายเขาไปลักทรัพย์ของเขาใช่ไหมล่ะไปประพฤติผิดลูกเมียเขาไปพูดเท็จอย่างเงี้ยอย่างนี้เขาเรียกเป็นกรรมชั่วเป็นกรรมบทแต่การดื่มสุรายังไม่ใช่เป็นกรรมในตัวเองไม่ใช่เป็นกรรมบทตัวเองนะ เพราะเป็นเรื่องของการดื่มเข้าไปแล้วทําให้ขาดสติแล้วจะไปทําร้ายไปทําอะไรไม่ดีจึงเป็นกรรมอีกทีหนึ่งใช่ไม่ใช่คือการดื่มสุราเนี่ยดื่มดื่มดื่มเข้าไปเนี่ยยังไม่ร่วงละเมิดที่ไปฆ่าคนอื่นไปลักทรัพไปประพฤติผิดในกรรมหรือไปพูดเท็จแต่เพราะดื่มแล้วเนี่ยขาดสติแล้วไปทําอีกทีหนึ่งอันนั้นก็ว่ากันอีกทีเข้าใจยัง พอดื่มสุราแล้วจะขาดสติไหมขาดสติเพราะเจตนาในการดื่มนั้นเป็นเจตนาแห่งการที่จะประทุษส้ายปัญญาของตนเองจะทำให้ตัวเองมึนถ้าเราเราสังเกตดูนะเดี๋ยวเราไปดูผลของการดื่มสุราก็จะเห็นเอาถามครูหน่อยใครเคยดื่มสุรายกมือขึ้น ยกเธอไม่เป็นไรหรอกมอา้าวเคยดื่มเหล้าอ้อาวยกมือหน่อยทีอา้อาวอ้าวค่อยๆยกทีค่อยๆ ย, ยกอย้อยยกอาวอา้าวมีไหมใครไม่เคยดื่มเลยอ้าวไม่เคยดื่มเลยเนี่ยโอ้ยน่าเชื่นใจแล้วที่ไม่ยกแปลว่าอะไรฮะเอไอ้ประเภทอย่างนี้แปลกดีนะเออ ดื่มก็ไม่ดื่มไม่ดื่มก็ไม่ดื่มก็ไม่ยกไม่ดื่มก็ไม่ยกแล้วแปลว่าอะไรเนี่ยแปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าจริงๆจะให้คิดยังไงเนี่ยอ้าวลองยกใหม่ที่ใครดื่มเครดื่มเรายกมือใครเคยดื่มเอาเอามือลงใครเคยดื่มอาทุกอาทิตย์เลยยกมือดิทุกอาทิตย์เลยโอ้ อโอยอมเล็กด้วยเลยโอ้ยอมเล็กก็ดื่มทุกอาทิตย์เลยอาใครยืมอาทิตย์นึงน่เกินกว่าสองครั้ง <c oughs> โอ้โหโอ้นี่ก็ก็นี่ไงเนี่ยก็นีสุราเนี่ยไม่ใช่เป็นตัวกรรมมบทเป็นตัวสิกขาบทเพราะเป็นเหตุที่จะให้ร่วงกรรมมบทอีกทีหนึ่งแล้วก็เป็นเหตุที่ให้สังเกตเมืเชา้าไปบินดาบาต มาอํานาจก็ก็หัวเราะอวาก็ไปดูเอ๊ะอะไรเนี่ยอ๋อเห็นยมเขากําลังกินเหล้าสองยมผู้หญิงสองท่านเนี่ยก็กินเหล้าไปเสร็จก็แหมกําลังยกมือไหว้พระใหญ่นั่นแหละคือเป็นตัวกรรมมาบดนะถ้าหากเป็นตัวสี่ข้อแต่การดื่มสุราไม่ใช่เป็นกรรมในตัวเองเพราะเป็นเป็นเรื่องของการดื่มเข้าไปแล้วทําให้ขาดสติ แล้วก็จะไปทําร้ายไปทําอะไรไม่ดีก็เป็นกรรมอีกทีหนึง่งแต่เป็นสิกขาบทก็คือเป็นข้อฝึกหัดว่าจะเว้นจากสิ่งที่ไม่ดีที่จะก่อให้เกิดโทษอย่างอื่นจึงมาเป็นสิกขาบทด้วยแล้วก็เอามาใช้ในการฝึกเป็นข้อปฏิบัติสำล่างการฝึกหัดชีวิตเพื่อให้ดียิ่งขึ้นไปฉะนั้นถ้าใครปรารถนาที่จะฝึกหัดตัวเองให้เป็นคนดียิ่งยิ่งขึ้นไปต้องตัดโซลาและตัดบุหรี่ออกเส เพราะถ้าดื่มหรือสูบเข้าไปแล้วเนี่ยของมึนเมาทั้งหลายเบ็ยดเสร็จแล้วเนี่ยแปลว่าเราพร้อมที่จะไม่ฝึกตัวเองนั่นแหละเพราะมันมีโอกาสในการที่จะไปร่วงข้ออื่นได้มากใช่ไหมเราโดยส่วนใหญ่ก็คือโดยมากเราไม่ไปฆ่าคนอื่นแต่สิ่งที่เห็นชัดก็คือพอเหล้าเข้าปากแล้วก็วาจาก็จะตามมาโอ้โหทันี้ห้ามไม่อยู่แล้วบางคนพอดื่มเหล้าเข้าไปโอ้โหทำม้ออกจากปากโอ้โห จริงๆมันใช่ธรรมะจริงไหมไม่ใช่หรอกเป็นการเป็นการเพอเจอ้อพูดเพอเจอ้อไปนสาระอะไรหรพูดไปเรื่อยในที่นี้นะพูดเฉพาะกรรมสี่ข้อก็คืองดเว้นจากการฆ่าเป็นต้นเหล่านี้เป็นไปตามลําดับเรียกว่าเป็นกรรมทีนี้ว่าเขาเรียกกรรมมกิเลสเป็นกรรมที่เศร้าหมองคือเป็นความประพฤติเสียหายกรรมนี้คมไปถึงอาชีพทางการงานด้วยนะ อาชีพการงานเป็นหลักสําคัญของชีวิตของเราทีนี้เมื่อไม่ให้ถ้าไม่ให้เจ้าสี่ตัวก็คือการฆ่าการลักการประพฤติผิดในการมการพูดเทนะ็จน่ะก็คือให้ละเว้นไม่ให้เป็นอาชีพการงานประเภทที่มีการทําร้ายเบียดเบียนชีวิตเขาไม่เป็นอาชีพที่ล่วงละเมิดทรัพย์สินสของคนอื่นไม่ใช่อาชีพลักขโมยไม่ใช่อ า, อาชีพที่จะทําความประพฤติเสียหายทางการม และไม่ใช่อาชีพที่จะหลอกลวงใช้วาจาคนหกผู้อื่นฉะนั้นกรรมมกิเลสก็คือความประพฤติมัวหมองความเสื่อมเสียเนี่ยแก่ชีวิตเนี่ยทำให้เกิดเวรภัยในสังคมขยาย่างทำให้เกิดเวรการผูกเวรภัยในสังคมเป็นการสร้างเครื่องกีดกันหรือเครื่องกีดขวางที่จะทำให้เราเกิดความเจริญก้าวหน้านก่อความสุขสงบในชีวิตของตนเองเลยสังเกตดูนะ ฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในการมเนี่ยพูดโกหกทั้งหลายเหล่าเนี้ยอันนี้แหะคือเป็นตัวเศร้าหมองด้วยเป็นความไม่สะอาดด้วยแล้วก็จะเกิดความเสียหายให้กับชีวิตของตนเองนั่นแหละผู้ที่ก่อกรรมกิเลสทั้งสี่ประการเนี่ยจะมีชีวิตก็ถ้าบอกว่าถ้าไม่มีกรรมสี่ประการนะถ้าไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการมไม่พูดเท็จเป็นต้นก็ไม่ก่ออะไร ก็จะทำให้ชีวิตของตนเองนะปลอดโปร่งเหมือนคนที่ร่างกายสะอาดร่างกายสะอาดรู้สึกปลอดโปร่งโร่งเบามั่นใจที่จะก้าวไปทำอะไรด้วยความสบายใจนี่เขาจะใจอย่างนี้หลักการตรงนี้นี่นี่ประการแรกประการที่สองเป็นครูก็ดีเป็นเครื่องหัดทั่วไปก็ดีเนี่ยต้องเว้นจากอคติทั้งสี่ตั้งแต่ให้ทานก็ต้องเว้นจากอคติทั้งสี่ ดังที่ได้กล่าวแล้วใช่ไหมจำได้ไมัมยังจำประเด็นได้ไหมลรอได้แก่ความลำเอียงหรือความประพฤติออกนอกทางธรรมสี่ประการชั้นทางคติลำเอียงเพราะชอบเห็นไหมชีวิตของเราเวลาเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นเนี่ยถ้าเรามีอคติเนี่ยมันจะมีลำเอียงเพราะชอบใช่ไม่ใช่เราชอบนักเรียนคนนี้เราชอบเพื่อนคนนี้โทรศัคติลำเอียงเพราะชังพเพราะโกรธนั่นแหละ มหาคติลําเอียงเพราะเขาเพราะไม่รู้แล้วก็พยาคติลําเอียงก็เพราะกลัวทีนี้เครหอขัดที่จเจริญตามหน้าที่ของตัวเองเนี่ยเติบโตเป็นผู้ใหญ่เนี่ยจะต้องรับผิดชอบรับผิดชอบอะไรรับผิดชอบกลุ่มคนหรือหมู่ชนเป็นหัวหน้าครอบครัวงเงี้ยลำเอียงได้ไหมให้สังเกตตัวนะแล้วก็เป็นชาวพุทธเนี่ย แต่เราไปให้ทานด้วยลำเอียงเพราะรักให้ทานด้วยลำเอียงเพราะกโกรธให้ทานลำเอียงเพราะไม่รู้ให้ทานเพราะลำเอียงเพราะโมหะเนี่ยอันนี้กับมาตรฐานชาวพุทธก็เสียหรือถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็เสียหายอีกต้องรับผิดชอบกลุ่มคน ห, หมู่ชนเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นหัวหน้าหน่วยงานเป็นหัวหน้าชุมชนเป็นต้นซึ่งจะต้องรักษาอะไร ความเป็นธรรมให้ความเป็นธรรมแล้วก็แก่คนในความดูแลของตนเองถ้ามีลูกสองคนนะโอ้ยเรารักลูกคนมากคนละคนน้อยเยอะลําเอียงไหมลําเอียงในครอบครัวเสียหายไหมเสียหายลูกที่มีปัญหาครูเนี่ยสอนนักเรียนเนี่ยนักเรียนเขามองเราเนี่ยให้สังเกตดูนะครูบางคนเนี่ยในยุคปัจจุบันเนี่ย ก็ห้ามอะไรนะกระทรวงศึกษาธิการเขาห้ามตีตีเด็กใช่ไหมแล้วปัญหาต่อมาคืออะไรรู้ไหมครูก็ปล่อยเด็กตีก็กลัวก็ปล่อยตรงเลยปล่อยเล่นอา้าวใครทําวิธีนี้บ้างยกมือขึ้นมีไหมปล่อยให้จบวันไปวันวันวันวันวันเนี่ยคือคือเรื่องครูเนี่ยมาเป็นคนมีความเข้าใจเรื่องครูมากทําไมเข้าใจรู้ไหม เคยทางานร่วมกับครูมาไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีสอนเด็กนักเรียนเนี่ยับครูแล้วก็ร่วมกันทางด้านวิชาการประชุมวิชาการกับครูเนี่ยเห็นชัดเลยแล้วว่ามีปัญหาก็คือยิ่งระเบียบของทางโลกเขาบอกว่าห้ามตีเนี่ยมีปัญหามากแล้วก็จะครูก็จะใช้เป็นข้ออ้างว่าเนี่ย เขตีไม่ได้เด็กถึงดือ้อนี่ไงบ่งบอกอะไรเอะบ่งบอกว่าเราไม่สามารถที่จะให้เด็กเคารพเราได้ได้แค่ให้เด็กลักเรารักกับเคารพไม่เหมือนกันนะครูนะเหมือนลูกเนี่ยเราให้ลูกลักเราได้แต่ลูกเคารพเราไม่ได้ถ้าลูกลักเราเนี่ยนะมันก็รักแม่ลักพ่อแต่ถ้าถามบอกว่า จะให้มันทําตามมันไม่ทำหรอกก็ทําตามใจของเขาเพราะเขาอะไรเพราะเขาไม่เคารพลูกศิษย์ก็เหมือนกันถ้าเขาไม่เคารพเนี่ยก็ดูแ ต, ต่ตอนหน้าแค่นั้นแหละที่เขา ก, กลัวๆบ้างอะไรบ้างแค่รักไงเขาไม่เคารพเขาก็ไม่ทํานี่ไงคือปัญหาของพวกเราแต่ถ้าเราตั้งใจฟังให้ดีในใ น, ในคอร์ดการอบรมเนี่ยแล้วเราจะเราจะรู้ว่าเราจะทํายังไงคนอื่นเขาเคารพ เดี๋ยวก็บอกเอาแล้ ว, แ ล, วแล้วทําไมท่านนะ่ะทําไมพระไม่ทําให้โยมเขารบก่อนแล้วยอมย้ายตั้งยัยฟังเนี่ยวก็เกิดย้อนที่ทําไงมันมีเวลาทําแค่เจ็ดวันห้าวันหกวันเนี่ยจริงๆนั่นทําได้ทําให้ความเขารบกเกิดขึ้นเนี่ยไม่ยากหรอกมันมีเวลาอย่างพวกเราเนี่ยอยู่ขะเด็กแค่เวลานานไหมเป็นปีๆเป็นสองบางทีหกปีเจ็ดแต่ทําไมเด็กไม่เขารบเพราะอะไร เพราะเราไม่รู้วิธีอยากจะรู้วิธีไหมเออตั้งใหญ่บางแล้วจะบอกวิธีออน่าสนใจไปหรอกหลักการนี้ในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการไม่มีไม่มีหรอกที่จะให้คนเคารพเนี่ยทำยังไงเนี่ยแต่หลักสูตรของพรุทธเจ้าเนี่ยมีเพราะตอนนี้กระทรวงศึกษาธิการก็ถอดหลักสูตรของพระพุทธเจ้าออก ถอดคือปกติเนี่ยเขียนบรรจุเข้าไปคนอ่านเองก็เข้าใจยากอยู่แล้วเขาเห็นว่าเอ๊ะมันไม่เห็นมีอะไรเลยใช่ไหมเขาก็ถอดออกไปก็เลยเป็นปัญหาใหญ่โตตรงนี้ก็คืออ้าวฟังต่อไปเนี่นะเดี๋ยวเวลาจะไม่พอวันนี้ไม่รู้ทันหรือเปล่าไม่รู้ก็คือว่าบุคคลที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ย ก็จะต้องดูแลก็ต้องให้ความเป็นธรรมแก่คนในการดูแลของตนเพื่อให้กลุ่มหรือหมู่ชนอยู่กันด้วยความสามาคัคคีมีความสุขพุทธเจ้าก็ทรงเว้นความลำเอียงก็คือการประพฤติผิดธรรมออกทิ้งไปแล้วก็การทำให้ข่าจากคำสอนเช่นชอบลำเอี่ยไหมชอบชังเขากลัวเนี่ยจำเงี้นะชอบแล้วก็โอ้โหระดมทำก็ตัวอย่าง เขาเกิดชังใครขึ้นมาเนี่ยโอ้โหไม่ดูเลยหน้าเขาก็ไม่ดูการสอนหนังสือยังไม่อยากมองหน้านัาเกเรียนคนนั้นเราชังเขาทํ้เราเอียงอะ่ะบางทีก็เขาไม่รู้อะ่ะแล้วก็กลัวแต่พุทธิยถาให้ดารงอยู่ในธรรมะก็คือความถูกต้องดีงามและความเที่ยงธรรมความเที่ยงธรรมจริงจริงเนี่ยรายละเอียดมันมีอยู่นะถ้าเราจะเห็นว่า ถ้ามาตรฐานชีวิตของเรามันลำเอียงเสร็จแล้วเนี่ยมันจะลำเอียงหมดเลยนะตอนนี้หนึ่งเราอยู่ในครอบครัวเราเราก็ลำเอียงระบบครอบครัวก็พังพังมีแล้วเราสังเกตดูตอนเราเป็นเด็กเรอะเรามีความรู้สึกว่าเห ม, มือ่พ่อลำเอียงแม่ลำเอียงใช่ไหมเราจะมีความคิดอย่างนี้ใช่ไหมล่ะมีไหมมีมจําได้ไหมตอนเป็นเด็กอะ่ะจะมีความรู้สึกว่า โอ้พ่อแม่ลำเอียงเลงต่างกันแล้วแต่เราจะคอยคิดอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาเลยนั้นบ่งบอกให้เห็นชัดว่าพ่อแม่ต้องระวังตัวไม่ใช่ระวังจะระแวงนะก็คือต้องวางมาตรฐานชีวิตให้เป็นว่าในกรณีที่เราจะลำดำลับแรกเลยเนี่ยจริงๆไอ้จุดที่มากําจัดความลำเอียงก็คือพวกพรหมวิหารหลักพรหมวิหารนี่แหละ แต่ว่าจริงๆไม่มีเวลาที่จะมาเจาะประเด็นตรงนี้ก่อนนะแต่จะต้องเจาะแน่นอนแต่จับประเด็นให้ถูกว่าหลักการที่เราลำเอียงเนี่ยเพราะเราเช่นลำเอียงเพราะรักเนี่ยเพราะเราไปใช้รักแบบโลภแทนรักแบบเมตตาเราจรึงลำเอียงแทนที่เราจะมีความเมตตามีความรักความปรารถนาดีที่เป็นไปกับเมตตาที่เป็นไวกับสภาพใจที่เป็นกักุศลแต่เราก็รักแบบยึดติด ใช่ไหมรักแบบมีความรักแบบมีความรักความผูกพันกลายเป็นยึดติดเมื่อยึดติดคนนี้มากคนนี้เป็นเด็กเรียบร้อยคนนี้พูดเพราะคนนี้เป็นคนแต่งตัวสะอาดคนนี้มีกิริยา ม, มันยติดีคนนี้เรียนเก่งเรารักคนนี้เป็นเด็กพูดไม่เพราะแต่งตัวก็ไม่เรียบร้อยแล้วก็ มีมัน ญ, ญาติก็ไม่ดีเรียนก็ไม่เก่งเราไม่รักเห็นไหมต่างแล้วตัเนี้ยความเป็นอาจารย์ของเรานี้ความเป็นพ่อแม่ของเรานี่พลาดแล้วแทนที่จริงเนี่ยหนึ่งคนที่เขาปกติเขามีปกติชีวิตของเขาดีเนี่ยเราควรรักความปรารถนาดีเมตตากับเขาถูกต้องแล้วก็ปฏิบัติกับเขาทางกายทางวาจาของเขาด้วยเมตตาแต่บุคคลที่เขาประพฤติไม่เรียบร้อยมีวาจาหยาบหรือก็ชอบ เป็นคนดื้อทั้งหลายเหล่านี้เบื้องต้นเราควรกรุณาเขาที่จะช่วยให้เขาใช่ไหมล่ะช่วยเขาพ้นจากพ้นจากสภาพการประพฤติปฏิบัติแบบนั้นหรือการทำตัวแบบนั้นแต่ไม่ใช่ไปโกรธเขาสังเกตไหมถ้าเราไปใช้อคติปุ๊บเนี่ยเราจะชอบคนที่ประพฤติ ด, ดีแต่เราจะเกลียดเราจะโกรธคนที่ประพฤติไม่ดีใช่ไหม นี่เสียหลักการไหมเนี่ยเสียมาตรฐานความเป็นครูมาตรฐานความเป็นผู้ปกครองมาตรฐานความเป็นผู้ใหญ่อันนี้รายละเอียดก็ไปเจาะประเด็นดูจะเห็นชัดใครเป็นไม่เป็นก่อนอะตอนเนี้ยเป็นไหมนี่ง่ายมาตรฐานนี่ไงชีวิตเป็นอย่างเงี้ยเวลาเรามีของเราจ ะ, จะเจริญทานกุศลไม่ได้แล้วแต่เ น, นี้ยไอคนนี้เหมือนเรารักลูกคนเล็กมากอะ่ะบางทีเราไม่บอกลูกคนโตนะแล้วก็ยื่นเงินให้บอกอย่าไปบอกพี่ชายเองนะ มีอย่างนี้ไหมอย่าไปบอกนะเนี่ย น, นี่แม่รักเองมากนี่ไปบอกเขาอย่างนี้ด้วยนะเสียหาเสียหลักการเลยนะเคยเป็นไหมล่ะเมื่เวลาเจอลูกสิบเบสเสร็จจะเออคนนี้น่ารักหน่อยมีขนมฝากมานี่หลบหลบหน่อยเอากินซะเรียบกินซะเรีบกินซะเดี๋ยวใครเห็นเดี๋ยวใครเห็นถามยิงเป็นไหมเป็นไหมให้ทุกคนเลยให้ทุกคนมีปัญหาอีกนะมันมีของดีไม่ดีอะไอ้ น, นี้นะ ไอหน้าตาดีหน่อยแล้วอีกอย่างนะถึงให้ของเหมือนกันนะเราบอกว่าให้สังเกตดูวนะว่าเราเราเป็นคนมีอคติหรือไม่เราซื้อของเหมือนกันเลยหรือโรงเรียนให้ของมาเนี่ยเหมือนกันเลยทางโรงเรียนให้มาเนี่ยแต่เรามีหน้าที่ไปแจกแต่ใจที่คิดแจกแหละเวลา ย, ยื่นมือออกไปไอคนนี้น่ารักยิ้มไอคนนีน้ไม่น่ารักน่าบึง้งบึงเอาออไป <c oughs> นี่นี่ไงล่ะเป็นไม่เป็น บางทีก็มึนๆไปงั้นแหละให้ไปเพราะมันเฉยๆ เ, เพราะเราไม่ค่อยไม่รักไม่ชังมันมึนๆไปไอ้บางคนเราให้เพราะเรากลัวเดี๋ยวพ่อแม่ยือนอยู่ยือนอยู่ใช่ไหมแกงดึงเข้ามาครบตบหัวนิดนึงโอ้โหโูรักลูกเราเล็กเกินกลัวเขาด่าด่าวกลัวพ่อแม่เขาว่าเป็นอย่างนี้ไหมล่ะงั้นอคติเนี่ยมันทําให้ลําเอียงยังไงตรงนี้แหละที่ว่า พระทีเจ้าสอนบอกว่านี่ไงได้แก่ความลำเอียงความประพฤติออกนอกทางนี่นี่คือหลักที่สามนะกลัวเออชังก็ดีชอบก็ดีชังก็ดีเขาก็ดีกลัวก็ดีเนี่ยแต่ให้ดํารงอยู่ในธรรมะคือความถูกต้องดีงามและความเที่ยงธรรมความเที่ยงธรรมตรงนั้นก็คือใช้หลักพรมวิหารธรรมมาจับมาอะไรต่างๆนี่เดี๋ยวจะกลับมาดูอีกทีนะตรงนี้นะแต่ต้องการไล่ลําดับคําสอนให้ชัดก่อน ประการต่อมาพุทธิยถาสอนในเรื่องของอบายมุกหได้แก่ทางแห่งความเสื่อมโดยเฉพาะทางแห่งความสิ้นเปลืองของทรัพย์สินเงินทองในการทํามาหาเลี้ยงชีพของครือข่าเนี่ยเรื่องสําคัญก็คือต้องสามารถเก็บเงินทองได้แต่ถ้ามีอบายมุกมาแล้วเงินก็หมดเก็บก็ไม่ได้ยริงไม่ยริงเงินก็ไม่อยู่ผู้ตามสํานวนของท่านว่าเงินทองที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้นเงินทองที่เกิดขึ้นแล้วก็ หมดไปนี่ในชัน้นของคาสอนบอกที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้นที่เกิดมาแล้วก็หมดไปนอกจากจะเสียเสียทรัพย์สินแล้วก็เสื่อมเสียอย่างอื่นด้วยจิตใจก็ไม่อยู่กับหน้าที่การงานใช่ไหมล่ะถ้าใครมีบุคลากรกินเหล้าเมายาแล้วโหปวดหัวเลยใครมีลูกกินเหล้าเมายาใครมีสามีกินเหล้าเมายาใครมีภรรยากินเหล้าเมายาเนี่เสียหายหมด ถ้าอยู่ในวัยเรียนอยู่กําลังศึกษาก็สํารายสุขภาพก็เสื่อมโทรเพราะฉะนั้นท่านจึงให้เว้นอบายามุขที่เป็นทางความเสื่อมหกประการหประการก็มีอะไรบ้างอะความเป็นนักเลงสุราเป็นนักดื่มหมกมุ่นกับสุรายาเมาแล้วก็ยาเสพติดพระที่เจ้าก็สอนสินคาละกะความเป็นนักเที่ยวชอบไปเที่ยวเขาเที่ยวป่าเที่ยวทะเลติดชอบเที่ยวไหมนั่นเลย นักเที่ยวเนี่ยเรื่อยเปื่อยสมัยก่อนเขาเรียกเที่ยวกลางคืนเหลือความเป็นนักหมกมุ่นบันเทิงอชอบบันเทิงหมเนี่ยวัฒนธรรมบันเทิงในบ้านเราเนี่ยติดกันเลือกเกินบางทีบันเทิงไม่ต้องออกไปข้างนอกแล้วตอนนี้เราเปิดวิทยุเปิดทีวีก็บันเทิงอยู่ในบ้านนั่นแหละนี่คือนักบันเทิง สมัยก่อนก็เล็ดูการละเล่นหมกมุ่นเอาแต่สนุกสนานบันเทิงวนเวียนอยู่กับสถานและบันเทิงต่างๆชอบสนุกสนานแต่ปัจจุบันก็เอาความบันเทิงเข้ามาอยู่ในบ้านบางทีทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งไรงต่างๆกันน้ำลายยืดหัวรอกกันอยู่ในหลหน้าทีวีอยู่ใ น, นไม่มีอะไรหรอกใช่ไหมใช่นี่คือติดบันเทิงมัวเมามากบันเทิงบางอย่างก็พกติดเกมไงทั่วเนนี้ไปไปมาจะต้องมีคุยกับเราเนี่ย สังเกตดูนะลูกเออยล้านเดย์เนี่ยเล่นเกมไปคุยไปไม่มีเวลาหาเงินหาทองแล้วต่อมาก็ความเป็นนักเล่นเล่นเล่นการพนันก็คือผ่านทรัพย์สมบัติโบรานเขาว่าไงนะไฟไหมไ ฟ, ไฟไฟไหมดีกว่าการติดการพนันเยอะถ้าไฟไหมบ้านนี่ยังมีเหลือไหมเหลือที่ใช่ไหมจะเล่นการพนันก็ไม่มีอะไรเหลือเลย ครบคนชั่วเป็นมิตรก็ครบนักเลงสุลานักดื่มนักการพรนันนักเสเพเนี่ยก็จะพาเป็นไตรลักษ์เหมือนนั้นก็คือครบคนพาลความเกียรติค้านในการทำการงานในประการที่6เนี่ยไม่เอาใจใส่นี้เสียหายมากทีนี้ก็อบายามุกทั้ง6ประการนี้แหละให้สังเกตดูนะหนึ่งกรรมกิเลส4ีอคติสีอบายามุก6รวมเป็นเท่าไหร่ 4, ี่สี่หกรวมเป็นเท่าไรเท่าไรนะอ่าสิบสี่สิบสี่อย่างเนี้ยเป็นสิ่งสกรปรกเสียหายแปดเปื้อนเบิดเปื้อนที่ควรจะเลิกเว้นแล้วก็ชำระชีวิตให้สะอาดบริสุทธิ์บ่งลงเบาก่อนเห็นไหมพระพุทธเจ้าก็บอกนี่ไงความไม่สะอาดเนี่ยเธอไปอาบน้ำออประเพณีของพระามเนี่ยก็ถือว่าชำระร่างกายสะอาดนะเขาถือว่านั่นแหละเป็นการลอยบาป แต่พระเจ้าอันนี้ทำอย่างนี้จะสะอาดการจะททำให้ตนเองสะอาดได้ก็คือนี่ไงก็คือเว้นจากกลุ่มเอาบยมุกเป็นต้นเหล่านี้พระเจ้าบอกว่าการที่เธอไปอาบน้ำอาบน้ำชำระร่างกายเขาก็ให้ความสะอาดแค่ข้างนอกแค่ข้างนอกเท่านั้นแหละใช่ไหมไปอาบน้ำชำระร่างกายก็สะอาดแต่เพียงข้างนอกแต่ถ้าเราชำระความชั่ว ทั้ง14อย่างแล้วก็จะทําให้ชีวิตสะอาดบริสุทธิ์เมื่อชีวิตสะอาดดีก็พลอยที่จะอยู่ร่วมกับสังคมดําเนินชีวิตอยู่ในโลกได้โดยสวัสดีใช่ไม่ใช่เอาสิถ้าเราไม่ฆ่าสัตว์เราไม่ลักทรัพย์เราไม่ประพฤติผิดในกามเราไม่พูดเท็จใช่ไหมล่ะเราไม่มีฉันทากเราไม่ลำเอียงเพราะรักไม่รำเอียงเพราะโกรธไม่ลำเอียงเพราะเพราะเขาไม่ลำเอียงเพราะกลัวแล้วเราก็ ไม่เป็นนักเลงสุราเราเว้นจากอบายมุขไม่เป็นนักเที่ยวไม่หมกมุ่นในสถานบันเทิงไม่เป็นนักเล่นการพนันไม่คบคนชั่วเป็นมิตรไม่เกียจค้านนี่นะสิบสีประการเหล่านี้เราก็ไม่เปรอะเปื้อนเราก็ไม่เสียหายชีวิตของเราก็สะอาดปลอดปลโปร่งโล่งเบาสบายแต่คนเราบางอย่างเนี่ยเราไปคิดว่าเออไปอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดข้างนอก แต่พระพุทธเจ้าบอกว่าแต่ถ้าเธอแต่ถ้าครูในโรงเรียนบรรจงรักหรือว่างั้นชําระก็หมายความบอกว่าทําชีวิตให้บริสุทธิ์หรือชําระความชั่วทั้ง16ประการนี่สิประการนี่ทิ้งก็จะทําให้ชีวิตสะอาดบริสุทธิ์เมื่อชีวิตสะอาดดีก็พร้อมที่จะอยู่ร่วมกับใครอยู่ร่วมกับสังคมและดําเนินชีวิตอยู่ในโลกโดยสวัสดีไหมก็สวัสดี ต่อไปก็ขั้นเตรียมตัวในการที่จะไหว้ทิศอา้าวถ้าสะอาดแล้วต่อไปเอาเตรียมตัวได้ยังตอนนี้เราจะไหว้ทิศไดอยังเตรียมตัวอยังเตรียมตัวแล้วนะการจะไหว้ทิศแม้จะขึ้นจากน้ํำชำระร่างกายเสร็จมาแล้วก็ยังมีขั้นเตรียมการอีกนะเช่นมาจัดแจงบริเวณและที่ยืนเป็นต้นรวมทั้งยังมีอีกสองขั้นคือหนึ่งเลือกครบคนสําคัญหรือไม่สําคัญ ในตอนเว้นจากอบายามุกเนี่ยบอกว่าไม่ให้คบคนชั่วเป็นมิตรใช่ไหมทีนี้ก็มาเตรียมเลือกคบคนโดยรู้จักแยกแยะว่ามิตร ด, ดีมิตรชั่วเป็นอย่างไรมิตรที่มิตรมีกี่ประเภทก็ดูลักษณะคนให้คบนี่นะทีนี้การครบคนที่ท่านถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะพระเจ้าบอกว่ากาลยาณมิตรเนี่ยในการอยู่ร่วมสังคมเนี่ยการรู้จักเลือกคมที่เลือกคบคนเนี่ยนะ นี่เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญมากใครเป็นมิตรแท้ใครเป็นมิตรเทียมพระเจ้าตรัสว่ามิตรแท้ก็มีมิตรเทียมก็มีอยากรู้ไหมมิตรแท้มิตรเทียมเขาเขาดูกันยังไงนี่คนอย่างไรเป็นมิตรแท้คนอย่างไรเป็นมิตรเทียมมีเพื่อนเยอะไหมพวกเรามีเพื่อนเยอะไหมเยอะใช่ไหมเคยแยกแยกไหมเป็นมิตรแท้มิตรเทียมและอะไรเป็นเครื่องวัดท่านได้บอกว่า ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนชั่วนะเดี๋ยวจะพูดว่าถ้าทีนี้กรณีอย่างนี้ก็คือว่าถ้าเราจะช่วยคนอื่นเราก็ต้องสภาพตัวเราเองเราก็ต้องเราก็ต้องพร้อมนะพระเจ้าบอกว่าไม่ได้บอกว่าไม่ให้เกี่ยวข้องกับคนชั่วนะเดี๋ยวจะมาพูดว่าถ้าอย่างนั้นคนไม่ดีเราก็ทิ้งเขาเลยไม่ใช่อย่างนั้น แต่พระเจ้าบอกว่าไม่ให้คบคนชั่วเว้นแต่ช่วยเหลือเขาช่วยเหลือเขาได้แต่อย่าไปคบอย่าไปเสพยแต่ถ้าเราจะช่วยเขาเราก็ต้องพร้อมก่อนไหมพร้อมไม่พร้อมถ้าเราจะช่วยคนติดเหล้าเราติดเหล้าด้วยเราไปช่วยเขาได้ไหมนี่เราต้องพร้อมก่อนเราจะช่วยคนชอบสนุกสนาน เหมือนบางทีเราเที่ยวด้วยกันใช่ไหมเป็นนักเที่ยวด้วยกันถามว่าจะช่วยกันได้ไหมเนี่ยก็ไม่ได้แล้วก็หมายว่าเราต้องพร้อมก่อนต้องต้องเห็นชัดว่าเราอยู่ในภาวะที่เข้มแข็งเข้มแข็งในที่นั้นก็คือเรามีปัญญานั่นแหละต้องเข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายเหล่าเนี้ยเราจะต้องมีความรู้ความเข้าใจก่อนไม่ใช่เราแย่กว่าเขาแล้วก็จะไปเจาะเขาคบเขาเงี้ยเป็นอันว่า ไม่ครบคนชั่วแต่เว้นแต่จะช่วยเหลือตามปกติเนี่ยโดยหลักการทั่วไปก็คือคนชั่วคนไม่ดีเป็นคนผ่านเราก็ไม่เอาเราก็ครบบัณฑิตพระเจ้าบอกว่ายังเวเสวติตาทิโสคบคนเช่นใดก็เป็นเช่นนั้นเนี่ยพระเจ้าสอนนี้เนี่ยหลักการตรงนี้ก็คือว่าพระพุทธเจ้าก็สอนสอนบอกว่านอกจากครบคนธรรมดาแล้วนเนี่ยนะ ก็รู้จักคบคนในในวงการก็คือกิจการงานต่างๆก็รู้จักที่จะเลือกตรงนี้ก็คือว่าใช้ปัญญาในการพิจารณาในการที่จะแยกแยะบุคคลว่าคนคนนี้ควรครบไม่ควรครบแต่ว่าไม่ใช่ว่าคนไม่ดีทั้งหลายเหล่านี้เราจะไม่เกี่ยวข้องโดยฐานะที่คอยช่วยเหลือเขาแล้ก็คอยเกี่ยวข้องอยู่ในการที่ช่วยเหลือประการต่อมาพระเจ้าก็วางแผนบอกว่าเออขั้นตอนต่อไปก็วางแผนในการ เอ้เดี๋ยวถามหน่อยในการจัดสรรทรัพย์สมบัติเนี่ยวางแผนยังไงอยากรู้ไหมพระเจ้าวางแผนชีวิตยังไงพระเจ้าวางแผนชีวิตอย่างนี้บอกว่าการจัดสรรการใช้จ่ายเงินทองหรือทรัพย์สินเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตของผู้ครองเรือนเพราะเป็นหลักประกันของชีวิตของคระหัดด้วยนะกวางแผนชีวิตค่อนข้างดีพระเจ้าก็ย้ําความสําคัญอยู่เสมอนะต่างจากพระสงฆ์ ว่าสองนี่ก็สละเกลี้ยงเลยไม่มีเหลือในสมัยสําหรับในพุทธการในพุทธเจ้าตรัสเป็นหลักๆใหญ่ไว้ในการแบ่งทรัพย์ไว้4ส่วนนะหนึ่งส่วนใช้เลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงมารดาบิดาเลี้ยงคนในรับผิดชอบเลี้ยงคนที่ควรเลี้ยงแล้วก็ตลอดจนถึงทําอะไรต่างๆที่เป็นสิ่งดีงามก็หมายความว่าทําบุญทํากุศลช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมนี่ข้อแรกอันนี้ประเด็นแรกนี้ก็ต้องวางหลัก ประการต่อมาคือว่าส่วนในการใช้กิจการงานเช่นถ้าเป็นครูเป็นนักธุรกิจต่างๆเหล่านี้นะประกอบอาชีพการทำงานทำกิจการต่างๆก็ให้ความสำคัญมากนี่นะก็แบ่งเป็นสองส่วนอีกหนึ่งส่วนก็คือส่วนที่สี่เก็บไว้เป็นหลักประกันในยามที่จำเป็นเช่นเกิดเจ็บไข้ก็คือหรือเรื่องเกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดขึ้นมาเป็นอันว่าพระเจ้าก็สอนให้เหมาะแก่คนในยุค แต่ระยุคต่างๆเหล่านีา้เป็นต้นอันนี้ก็คือหลักการในการจัดจ่ายในการที่ใช้สอยทรัพย์แต่ในรายละเอียดต่างๆถ้าทันนะถ้ามีเวลาทันก็จะแยกแยะในรายละเอียดตรงนั้นแต่สิ่งที่ต้องบอกพวกเราเ น, นี่ยในหนังสือมีใช่ไหมในหนังสืออะไรนะไมนะก็คือส่วนที่สามก็เกี่ยวในเรื่องอย่างนี้ ค, คือมาแบ่งนี่แหละแบ่งส่วนสามบ อ, อกเป็นหนึ่งและสองในรายละเอียดจริงๆในการจับจ่ายใช้สอยทรพัพย์เนี่ยเดี๋ยวจะจะในลงในรายละเอียดอีกทีพระเจ้าก็สอนบอกว่าในการ จ, จับจ่ายใช้สอยทรัพย์นี่นะอภิการต่อมาพระเจ้าก็สอนในการปฏิบัติหน้าที่รู้สึกในหนังสือนี้จะมีสอนอยู่นะในหนังสือประเดี๋ยวมาไม่ เออหน้า59สิบเก้าดูดีอ่ะดูห้าสิบเก้าออเนี่ยนี่ในรายละเอียดอยู่ตรงเนี้ยเนาะห้าสิบเก้าเนี่ยลักษณะของมิตรเนาะก็ก็พูดถึงในลักษณะของการปฏิสัมพันธ์นะพวก อ, อคติก็อยู่นี่แหละ แล้วก็การดื่มสุราเที่ยวกลางคืนเที่ยวดูราการลเล่นเล่นการพ น, นันครบคนชั่วเป็นต้นแล้วก็พูดถึงมิตรเทียมนะมิตรเทียมคนปลอกล่อคนดีแต่พูดคนหัวประจบคนชักชวนในทางเสียหายแล้วกมิตรอุปการละอันนี้คือการแยกแยะในการครบมิตรก็มิตรมีอุปการะมิตรร่วมสุขร่วมทุกมิตรแนะนําประโยชน์มิตรมีน้ําใจเนี่ยถามว่าตรงนี้แต่ในรายละเอียดตรงนี้จะยังไม่แจแกแจงรายละเอียดนะ แต่ให้ดูก่อนว่านี้คือหลักการหลังจากนั้นก็คือรู้จักรวบรวมเก็บรักษาทรัพย์และก็เหมือนตรงเนี้ยในหลักการตรงเนี้ยที่พูดไปสักครู่ประการต่อมาขั้นตอนต่อไปก็คือเตรียมและแต่เนี้ยเตรียมในการที่จะไหว้คิดการที่อยู่ในโลกเนี้ยเราอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมอยังไง คือในสภาพสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเพื่อนมนุษย์ที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมนุษย์ที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยย่อมมีความสัมพันธ์กับเราในฐานะต่างๆกันใช่ไหมล่ะเปรียบสเสมือนอะไรคนทั้งหลายที่อยู่ในฐานะต่างๆก็เหมือนกันกับิดน้อยและคิดใหญ่ที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่แหละซึ่งเราก็จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องทีนี้การจะปฏิบัติให้ถูกต้องเป็นต้นเหล่านั้นก็จะต้องมีชีวิตอยู่ได้ดีความดีงามเนี่ย การไหว้ทิศก็คือการปฏิบัติให้ถูกต้องต่อบุคคลเหล่านั้นคนที่เขาบัญญัติเรื่องทิศเนี่ยเขาบัญญัติโดยเอาทิศที่ผ้าทิตย์ขึ้นเป็นหลักสังเกตดูนะว่าในศาสนาอื่นเนี่ยท่านเอาทิศที่ผ้าทิตย์ขึ้นเป็นหลักก่อนเพราะฉะนั้นเขาจึงหันหน้าไปทางผ้าทิตย์ก่อนผ้าทิตย์ขึ้นทางไหนก็หันหน้าไปทางนั้นพอเห็นอาทิตย์ขึ้นแล้วก็เริ่มกําหนดทิศก็เลยถือว่าทิศเบื้องหน้าเป็นทิศตะวันออก ทิศเบื้องหน้าเป็นทิศตะวันออกใช่ไหมก็ไปทิศเบื้องหน้าเพราะฉะนั้นภาษาบาลีท่านจึงเรียกทิศตะวันออกว่าปุรัตถิมมทิตก็คือทิศบูรพาก็แปลทิศหน้าทิศข้างหน้าก็คือทิศตะวันออกทิศตะวันออกทิศเบื้องหน้าเป็นทิศที่มาก่อนมาก่อนไหมเอาบุคคลที่มาก่อนเราคือใครเออพ่อแม่ เกิดก่อนเราและเป็นผู้นำเราเริ่มตั้งแต่ให้ชีวิตแล้วก็เลี้ยงดูเราเพราะฉะนั้นทิศแรกจริงได้แก่พ่อและแม่ทีนี้พอมองในลักษณะอย่างนี้ก็คือไหว้ทิศเบื้องหน้าก็คือปฏิบัติหน้าที่ต่อพ่อแม่เคารพ บ, บำรุงพ่อแม่ถูกต้องเช่นท่านเลี้ยงเรามาแล้วอะไรเลี้ยงท่านตอบไอ้ตรงนี้แหละขั้นตอนตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่มาเก็บรายละเอียดการเลี้ยงท่านตอบนี้เรามาเจริญทานกุศลกับท่านได้ไหม แต่เราจะเจริญทานกุศลแบบไหนเป็นฉันทาคติได้ไหมหรือเป็นโทสาคติลําเอียงเพราะรักลาเลียงเพราะโกรธลำเลียงเพราะไม่รู้ลําเอียงเพราะกลัวหรือจะเลี้ยงท่านตามประเพณีหรือที่เราเลี้ยงท่านเพราะเราหวังสุคติโลกสวรรค์หรือเราเลี้ยงท่านแล้วดูแลท่านเพราะเราสบายใจหรือเราต้องการจะดูแลพ่อแม่เพราะต้องการประดับตกแต่งจิตบุงแต่งจิต เข้าไปสู่สภาพเมตตากรุณามุติตาอุเบกขาที่แท้จริงหรือไปสู่ศีลสมาธิปัญญาที่แท้จริงเอา้าเราจะดูแลเลี้ยงพ่อแม่แบบไห น, นเอาข้อไหนข้อไหนยากไหม <c oughs> สําคัญนะเนี่ยสําคัญนะเพราะเพราะถ้าเราไปมีอคติกับพ่อแม่เราจะอคติคนอื่นด้วยใช่ไหมเนรลด์จะาอาคติกับพ่อแม่อคติคนอื่นไหมก็อคติกับคนอื่นอยู่ดีเพราะระวังใจไม่เป็น ท่านเลี้ยงเรามาแล้วก็เลี้ยงท่านตอบเลี้ยงยังไงวิธีเลี้ยงเลี้ยงท่านด้วยอะไรใช้อะไรไปใช้กายกรรมไปปฏิบัติต่อท่านได้ไหมนวดท่านได้ไหมกวาดบ้านให้ท่านได้ไหมถูบ้านกวาดบ้านหุงข้าวจะใช้กายกรรมที่เป็นไปกับเมตตาหรือเป็นไปกับโทสะเห็นไหมต้องระวังนะเป็นกรุณาก็ได้อย่าลืมนะเมต ก, กายกรรมที่เป็นไปกับกุณาก็ได้ถ้าเห็นท่านเจ็บป่วยจะเป็นไปกับมุทิตาก็ได้เห็นท่านแข็งแรงแล้วก็ทําช่วยท่านฉนั้นสรุปก็คือว่าใช้กายให้เป็นไปกับเมตตาอย่างไงใช้วาจาพูดกับท่านที่เป็นไปกับเมตตาอย่างไรตรงนี้แหละหรือจะเอาข้าวเอาอาหารไปให้ท่านด้วยความเมตตาด้วยความรักด้วยความปรารถนาดีอย่างไรทั้งหมดเหล่านี้เป็นการปฏิบัติตามมาตรฐานของชาวพุทธที่ถูกต้องและได้ฝึกตัวเองด้วยไหม ได้ฝึกตนเองด้วยเราเคยคิดมุมนี้ไหมว่าโอ้เนี่ยเราได้ฝึกตนเองในการปฏิบัติต่อพ่อแม่ไม่ค่อยได้คิดกันนะสภาพสังคมไทยเนี่ยดํารงรักษาวงตระกูลประพฤติให้สมควรแก่การเป็นทายาทและเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วก็ทําบุญอุทิศให้นี้เป็นตามหลักนะถ้าตัวเองไม่เป็นพ่อก็ปฏิบัติต่อลูกตามที่ตนเองจัดครูไว้อันนี้ก็ถ้ามองอย่างนี้ก็คือว่า ลองดูนะลองดูนะว่าท่านเลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบนในหน้าต่อไปเนี่ยช่วยทำกิจธุระดำรงวงตระกูลไม่เสื่อมเสียประพฤติให้เหมาะสมและเมื่อท่านล่วงลับแล้วเนี่ยก็ทำบุญถ้าเป็นพ่อเป็นแม่ห้ามปลามไม่ทำชั่วไม่ทำผิดศีลธรรมดูแล อบรมให้ตั้งอยู่ในความอิสรที่มีคุณธรรมแล้วก็ศึกษาศิลปะวิทยาธรรมธุระต่างๆเหล่านี้เป็นต้นหลักการตรงนี้เรามองนเนี้ยจะเห็นว่านั้นแหละคือการปฏิบัติถามว่าการปฏิบัติต่อพ่อแม่เนี่ยเป็นทานกุศลหรือเป็นศีลกุศลเป็นทานกุศลหรือเป็นศีลกุศลจริงๆแล้วท่านขับเน้นตัวจารีศีลแต่ในนั้นมีทานด้วยไหมมีการให้ด้วย แล้วให้สังเกตดูนะว่าถ้าเราจะปฏิบัติต่อพ่อแม่เนี่ย 1. ปฏิบัติตามรูปแบบสองปฏิบัติแบบความรู้และความเข้าใจฉะนั้นท่านขับเน้นการปฏิบัติแบบรู้และเข้าใจจริงๆเช่นเราจะทําเมตตาเกิดขึ้นจากการปฏิบัติต่อพ่อแม่แปลว่าอะไรแปลว่าความเข้าใจต้องเกิดก่อน ความเข้าใจเนี่ยนะเพราะว่าตัวเมตตาเนี่ยมาจากการดําริที่ถูกต้องเขาเรียกสัมมาสังกปะก็หมายความว่าดําริในการที่จะเมตตาไม่ใช่ดําริในการที่จะโกรธแม่แต่การดํารินั้นนะ่ะมาจากความเห็นที่ถูกฉะนั้นสรุปแล้วก็คือการใช้สัมมาทิฏฐินั่นแหละเป็นตัวนําให้เกิดขึ้นที่ใจนี่แหละแล้วก็พัฒนาความคิดความเข้าใจความดําริ มีความรักความปรารถนาดีอย่างต่อเนื่องก่อนแล้วต่อมาทางกายออกไปจึงจะเป็นกายกรรมที่เป็นไปกับเมตตาใช้กายกับแม่ในการปัดกวาดเช็ดถูดูแลแม่ด้วยกายมันจึงออกมาได้เมตตากายกรรมแต่ไม่ใช่ว่าเราไปเมตตากันยังไง ร, รู้ไหมเรามานั่งเนะ่ยสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น เ, เวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดแล้วเมตตาไปจริงไหม มันไม่จริงมันเป็นแค่ท่องโดยส่วนใหญ่เนะ่ยเมตตาเราไม่ค่อยออกไปจริงๆหรอกมันท่องแล้วมันอยู่แค่แ ค, แ, คแค่จำตัวหนังสือแต่จริงๆคนที่จะสามารถทำเมตตาเกิดขึ้นได้จริงๆแปลว่าความดําริเนี่ยมันถูกแต่ความดัมริลถูกนนะมันมาจากความมาจากปัญญาคือความรู้ความเข้าใจที่ถูกว่าทาไมเราต้องรักเออทำไมเราต้องรักแมก่แม่แ ม, แม่ท่านเลี้ยงเรามาเนี่ย ท่านมีอุปการะคุณกับเราอย่างไรถามว่าที่เรารักแม่จริงๆน่ะเราต้องตอบแทนคุณของแม่เนี่ยเราคิดถึงอะไรเราคิดถึงคุณของแม่ด้วยแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นก็คือเราคิดถึงคุณของบุญบุญกุศลนั่นแหละทำให้เราเกิดมาเป็นมนุษย์ฉะนั้นเราตอบแทนคุณของใครกันแน่จริงๆแล้วตอบแทนคุณของบุญกุศล ไม่ใช่นะแต่แม่เลยได้ประโยชน์จากการที่เราตอบแทนคุณของบุญนั่นแหละก็คือคุณของแม่แต่หลักการจริงๆที่ปฏิบัติอย่างนี้เพราะอะไรเนี่ยเรากำลังปฏิบัติตามพุทธโอวาสเห็นหมพระพุทธเจ้าสอนคาว่าพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยผลประกรอบผูกระทาเนี่ยอย่าลืมนะว่าในสิงคาระกาสูตรเนี่ยการปฏิบัติกับพ่อแม่เนี่ยเป็นกรรมนะ เป็นอดีตกรรมหรือเป็นปัจจุบันกรรมเอาเป็นอดีตกรรมหรือเป็นปัจจุบันกรรมที่เรากําลังทํากับพ่อแม่เนี่ยเป็นอดีตกรรมหรือเป็นปัจจุบันกรรมเออที่เราเลี้ยงท่านตอบเนี่ยเป็นปัจจุบันกรรมทีนี้ปัจจุบันกรรมมันกรรมคือการกระทําทางกายเขาเรียกกายกรรมถ้าพูดออกมาทางวาจาเขาเรียกวจีกรรมคิดถึงแม่เขาเรียกมโนกรรมประเด็นไม่อยู่ตรงไหนสําคัญที่มโนกรรมเนี่ย จิตที่เราคิดเนี่ยถ้าคิดไม่ดีกับแม่คิดโกรธแม่เป็นกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมเห็นไหมคิดเกลียดแม่ท่า น, นี้ก็เป็นอกุศลกรรมหรือไปรักแม่แบบโลภะแบบตันหาลําเอียงพอลักเนี่ยลำเอียงพอลอพอักแม่เป็นกุศลกรรมหรืออกุศลกรรม อกุศลลำเอียงเพราะโกรธก็เป็นอกุศลลำเอียงเพราะเขาแต่มาไม่ใช้คําว่างโง่เนะีลำเอียงเพราะเขาเนี่ยไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยเนี่ยอันนี้ก็เป็นอกุศลกรรมลำเอียงเพราะกลัวกลัวว่าคนอื่นจะด่าจะว่ากลัวพี่น้องจะด่าจะว่าก็เป็นอากุศลกรรมฉะนั้นเราจะปฏิบัติต่อแม่ให้เป็นกุศลกรรมหรืออกุศลกรรม กุสลกรรมก็ต้องมีเมตตารักปรารถนาดีกับแม่ยาแม่ปกติทางกายทางวาจาทางใจและในยามที่แม่ประสบทุกก็ต้องมีการุณาคิดจะช่วยให้แม่พ้นจากทุกถ้ายามแม่สุขสบายดีร่างกายแข็งแรงหรือว่าคุณภาพชีวิตดีขึ้นก็มุทิตายังไหมเป็นปฎิบันกรรม ยามที่ไม่สามารถจะจะเยียวยาแม่ได้แล้วแม่ก็โอ้ยอาการแย่ลงแย่ลงวางใจตอนนั้นต้องก็วางใจให้เป็นกลางว่าแม่มีกรรมใช่ไหมทำมาอย่างสัทว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนนะเนี่ยแต่ไม่ใช่วายไม่ได้ไปดูแลอะไรเลย แ, ลแม่เป็นกรรมของแม่เองอะ ทำไมแม่ไม่ได้หนูมาเป็นลูกทําไมใช่ไหมทําไมก็ก็แม่มีกรรมเองอไงอา้าวทาไมลูกไม่ดูแลแม่เอา้าแม่ก็ดูแลตัวเองสิหนูยังดูแลตัวเองเลยโอ้โหตั้งเยอะย่งไหมเนี่ยยุ่งเลยเคยไหมได้เค ย, ย, เคยทําให้พ่อแม่โกรธไหมเคยไม่เค ย, ย, เคยบ่อยไหมบุคคลไม่น่าอยู่ไกลเหมือนกันเนี่นะ ขนาดพ่อแม่ยังไม่ลาเว้นเลยนี่คนอื่นน่นาคิดเหมือนกัน <laughs> น่าคิดเลยถามว่าพ่อจะขับเน้นได้บ้างหรือยังเดี๋ยวต่อไปในรายละเอียดเวลาเขาเข้ากลุ่มกันเนี่ยไปถกให้รายละเอียดหมดเลยนะวันนี้นะในเรื่องจารียศีลเหล่าเนี้ยได้ปฏิบัติให้ถูก <S <S 1> <S 1> นี่เอามานี่มาวางหลักเป็นกรอบกลางกลางเขาไว้เดี๋ยวจะขยายเวลาการอยู่ในกลุ่มเล็กให้มากขึ้นแต่ต้องไปถกไปหาข้อ ปฏิบัติออกมาให้ได้เวลาถามออกมาแล้วฟังแล้วให้ชื่นใจหน่อยก็แล้วกันเดเนี่ยลักษณะอย่างนี้ก็คือการปฏิบัติต่อพ่อแม่ก็เป็นไปกับเป็นปัจจุบันกรรมแต่ให้เป็นกุศ ล, ลกรรมเห็นไมพระพุทธเจ้าสอนในเรื่องของสิงค์าลการสูตรในพระพุทธเจ้าสอนเรื่องปัจจุบันกรรมสอนเรื่องความขยันหมั่นเพียรทั้งหลายเหล่านี้เป็นปัจจุบันกรรม เราไปเข้าใจว่าโอ้โหเนี่ยชีวิตเราบางทีเราไปมองลองกันยังไงเรานึกว่าเราไม่ได้ทำกรรมเนี่ยเราทำกันตลอดเวลาเลยนะอย่าลืมเนี่ยอา้าวทิศเบื้องขวาพอหันหน้าไปทางทิศตะวันออกขวามือของเราเป็นทิศใต้ใช่ไหมใช่ไม่ใช่ท่านเรียกว่าทิศเบื้องขวาทิศเบื้องขวานี้เรียกว่าทักษิณอาทิศทักษิณแนวขวา ทักศีนก็คือขวาเนี่ยคติโบราณถือว่าเป็นเรื่องของการแสดงความเคารพอะไรอะไรที่เราเคารพก็เอาไว้ด้านขวาก็ถือว่าเราเคารพทิศเบื้องขวาก็เลยยกให้เป็นอาจารย์จัดครัอาจารย์ไปทิศเบื้องขวาคือทิศใต้ก็ปฏิบัติหน้าที่แต่ครัวอาจารย์นั้นให้ถูกต้องพวกเราเป็นครัอาจารย์หรือเปล่าเนี่ยเราอยู่ทิศไหนเขาเรียก ทิศทักษิณใช่ไหมก็ไปเอาทิศใต้ทิศใต้เนี่ยเรียกทักษิณทักษิณอาทิตย์ทักษิณอา ท, ททท า, ททาทิตย์อันเดียวกันนี่ยกหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเนี่ยขวามือของเราทิศใต้นี้เรามีอาจารย์ไหมและตอนนี้เราก็เป็นอาจารย์ เอาแล้วแต่เนี่ยเห็นไหมชีวิตมันยึดโยมมันต้องปฏิบัติต่อกันเนี่ยลองดูที่เอาทิดเบื้องขวาเนี่ยฐานะที่เป็นศิษย์เนี่ยเพิ่งบำรุงอาจารย์เนี่ยหนึ่งอะไรหนึ่งอะไรลุกต้อนรับแสดงความเคารพสองโอ้เนี่ยสาม เรียนด้วยศรัทธารู้จักฟังให้เกิดปัญญาใช่ไหมล่ะเออสี่ห้าถามว่าแต่ก่อนที่เราเป็นศิษย์เราเคยปฏิบัติหน้าที่แบบนี้ไหมไม่ตอนที่เราเรียนหนังสือที่เราเป็นลูกศิษย์เนี่ยเคยปฏิบัติหน้าที่แบบนี้ไหมเคยเข้าใจแบบนี้ไหมถ้าไม่ต้องดูตรงนี้เลยเนี่ยเราจำเราเข้าใจอย่างนี้เราทาอย่างนี้ตลอดเลยหมย เราเห็นครูอาจารย์มาต่างๆแล้วก็ลุกแสดงความเคารพไหมเคารพด้วยกายหรือด้วยวาจารหรือด้วยใจเออทั้งหมดแล้วเข้าไปหาคอยบำรุงคอยปรึกษาซักถามให้รับคําแนะนําตลอดไหมหรือเห็นครูวิ่งหนีตลอดฝ่ายใจเรียนไหมเป็นคนฝ่ายใจเรียนไหมเรียนด้วยศรัทธาเชื่อมั่นไหมหรือโดดเป็นพักๆ คอยชอบบทนิบัติครูอาจารย์ไหม อ, ไอย่าแปลกใจนะทะลุศรีรษะเขาจะทรยศเออขอไปถ้าเขาจะทํากลับบ้างอะ่ะยังไงเล่าเรียนศิลปาวิทยาเอาจริงเอาจังยังไงฐาหน้าของครูก็สังเกตดูนะที่จริงหลักการของครูที่ต้องสอนนะ่ะมีอยู่ในนี้หลักการของครูที่ต้องสอนจะ ด, ดูรายละเอียดที ว่าเราเออเราได้ทำตามตามนั้นหรือไม่แนะนำฝึกฝนอบรมให้เป็นคนดีเห็นหมอันแรกนี่สำคัญมากเลยโดยมากเราจะเน้นสอนหนังสือเขาหรือจะเน้นให้เขาเป็นคนดีเวลาสอนข้อแรกเลยนะเราขับเน้นเพื่อจะเรียนให้เขารู้เรื่องวิชาการหรือขับเน้นให้เขาเป็นคนดี จ ร, จริงๆด้วยหลักการนี่พระเจ้าสอนว่าต้องสอนเขาแนะนำเขาให้เป็นคนดีนะสอนสอนให้แจ่มแจ้งยังไงก็ว่าอีกทีในรายละเอียดแล้วก็สอนศิลปะวิทยาโดยสิ้นเชิงส่งเสริมยกย่องดีงามตามความสามารถข้อที่ห้านี่สำคัญสังเกตดูนะไปดูรายละเอียดและจับประเด็นให้ได้ข้อที่ห้าสำคัญมากความเป็นอาจารย์เนี่ยสามารถสอนวิชาที่ไม่มีโทษแก่เขาเนี่ย แล้วเมื่อเขาออกไปจากเราเนี่ยเขาปลอดภัยไหมวิชาการที่เราให้เราเข้าไปเนี่ยเขาจะปลอดภัยไหมเมื่อเขามีวิชาที่จากที่เราสอนแล้วเนี่ยชีวิตเขาจะปลอดภัยเ็าจะอยู่ได้ไหมประดุดดังครูอาจารย์นี่คอยคอยอยู่ใกล้ชิดเขาตลอดเวลาเนี่ยสอนได้อย่างไงถือว่าประสบความสำเร็จแต่ถ้าสอนเบ็ดเสร็จแล้วเหมือนเลี้ยงคนไม่โต อันนั้นแปลว่าไม่ประสบความสําเร็จถ้าประสบความสําเร็จเนี่ยเขาจะไปทางทิศไหนเขาจะไปอยู่หน้าที่ไหนเขาจะจากเราไปอย่างไรก็แล้วแต่แต่คําสอนที่เราบอกไปนะั้นอยู่ในใจอยู่ในความคิดเขาตลอดแล้วทําให้เขาสามารถประกอบกิจการงานได้และอย่างโดยเฉพาะเราที่เป็นชาวพุทธด้วยแล้วเนี่ยขับเน้นคําสอนให้เขารู้จักความเคารพต่ออาจารย์ด้วยแล้วก็ให้คําแนะนำของเขาว่าเขาจะไปทิศไหนเขาก็ไม่ลําบาก ไม่ลำบากก็คือเขาสามารถที่จะให้ทานเป็นด้วยแล้วเขาประพฤติารีตประเพณีทั้งหลายถูกต้องด้วยแล้ววิชาการความรู้ทั้งหลายของเขาก็แน่นที่เขาสามารถที่จะเลี้ยงชีพตนเองได้แล้วก็สามารถที่จะไปกระทาปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมได้ถูกต้องด้วยเพราะความเป็นอาจารย์เนี่ยไม่ใช่แค่สอนหนังสืออย่างเดียวนะ เราต้องสามารถที่จะสอนให้เขาสามารถปฏิสัมพันธ์ต่อสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมได้ถูกต้องเช่นเขาต้องไม่มีอคติในการปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรใช่ไหมล่าความเป็นครูเนี่ยยิ่งใหญ่มากไม่ใช่เล็ ก, เ, ลกเราไม่ใช่เป็นครูรับจ้างสอนหนังสือนะเลยหลักการจริงๆแล้วเนี่ยสอนที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของเขาให้เข้าไปสู่ความดีงามประเสริฐและที่เลิศเนี่ย แปลว่าอะไรแปลว่าเราต้องมีองค์ความรู้ค่อนข้างชัดมีความเข้าใจบริบทชีวิตของตนเองแล้วก็การที่จะปฏิสัมพันธ์ต่อสิ่งแวดล้อมได้ค่อนข้างดีแล้วก็วางใจได้ในขณะที่ประสบปัญหาเวลาเขาไปเจอปัญหาขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่กลายเป็นว่าเราสอนไม่ให้ภูมิคุ้มกันใดๆเข้าไปเลยเขา ก, กลับกลายเป็นคนแค่เป็นคนอ่อนแอแล้วหนักเข้าหนักเข้าก็ไปติดบุหรี่ติดเหล้าติดยา ติดยาเสพติดเล่นการพ น, นันครบคนชั่วเป็นมิตรถามว่านั่นหรือความเป็นครูอาจารย์ก็เสียเลยแต่นี่จะไหมล่ะอันนั้นแปลว่าเราไม่ได้คุ้มครองเขานะเราไม่ได้หลักคำสอนของพระเจ้านนะไปวางไว้ในกระแสชีวิตของเขาให้เขามีฐานชีวิตที่มั่นคงที่สุดจริงๆเขาไปไปเจอกระสิ่งแวดล้อมเขากลายเป็นคนอ่อนแอใช่ไหมล่ะกลายเป็นคนอ่อนแอกลายเป็นคนที่ขาดหลักการที่ถูกต้องที่สุดยิงชีวิตเขาก็เสียหาย <Nered? S 2> นี่ความเป็นอาจารย์อยู่ตรงไหนเนี้ยถึงบอกว่าบางครั้งเนี่ยเราเอาอย่างนี้สังเกตว่าหนึ่งผลโดยตรงของความเป็นอาจารย์กับผลโดยอ้อมของความเป็นอาจารย์เนี่ยโดยอ้อมของความเป็นอาจารย์คือค่าตอบแทนผลโดยตรงของความเป็นอาจารย์คือคืออะไรในรถผลโดยตรงของความเป็นอาจารย์คืออะไร ทักษะความรู้ความสามารถการมองชีวิตได้ถูกต้องการมองสภาพสังคมได้ถูกต้องการนำหลักเอาความดีความสอนของพระเจ้าไปวางไว้ในกระแสะชีวิตของเขาได้ถูกสามารถทาให้เขามีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการด้วยแล้วก็เข้มแข็งทางด้านสภาพจิตใจด้วยใช่ไหมเราถ้ามีสภาพจิตใจที่เข้มแข็งไม่ตกอยู่ภายใต้อานาจของอยาเสพติดหรือว่าสิ่งของมึนเมาเป็นต้นเหลานี้ ยากไมโยการเป็นครูยากไหมเนี่อยู่หน้าที่เท่าไหร่นะที่การสอนตามลำดับมีหน้าที่เท่าไหร่นะดูดีดูดูดูลักษณะของครูเอ้ช่วยดูหน่อยดูดีจัดหน้าไปแล้วเลยหายอยู่หน้าที่เท่าไหร่นะคุณธรรมนะของความเป็นครูนี่อ้าวไปเจ็ดสิบเก้าหน่อยทีเปิดไปหน้าเจ็ดสิบเก้า เปิดไปหน้าเจ็ดสิบเก้าเห็นที่ยังที่งอ้าวดูหน้าที่เจ็ดสิบเก้านาะนี่ไงธรรมะของของคนที่จะสั่งสอนเนี่ยทำหน้าที่สั่งสอนให้การศึกษาแก่ผู้อื่นโดยเฉพาะครูอาจารย์เนี่ย คุณสมบัติหนึ่งเป็นกรลยานามิตรนะคือประกอบด้วยคุณลักษณะของกรลยานามิตรก็คือหนึ่งปีโยปีโยนี่ก็แปลว่าน่ารักปิยะนี่เนะี่ยน่ารักมีเมตตากรุณาใส่ใจคนและประโยชน์สุขของเขาเข้าถึงจิตใจก็สร้างความรู้สึกสนิทสนมเป็นกันเองช่วยนักเรียนหรือผู้เรียนอยากจะเข้าไปปรึกษาไตรถาอันนี้แปลว่าครูต้องไม่น่ายักหน้ามานะเนาะ แปล ว, แว่าครูเนี่ยต้องน่ารักถามว่าเออลูกศิษย์เห็นเราแล้วเขาเขามีความสุขไหมให้สังเกต ด, ดูไหมว่าเราเราเคยไปดูงานที่โรงเรียนสัตยาสยกันบ้างไหมอันนี้ไม่ใช่ว่าเขาจะดีทั้งหมดนดูบางอย่างเด็กตอนตอนเช้าเนี่ยเวลาเด็กเห็นเขาแทบจะวิ่งเข้าหาก็เลย ไม่ใช่วิ่งแต่เฉพาะว่าไปถ่ายวิดีโอนะไม่ใช่นะก็เขาวิ่งจริงๆไม่ใช่ว่าเพราะคือคือเด็กเนี่ยเข้าไปเขาโอบกอดคือคือคือเขามีความสัมพันธ์กับกับครูมากรักมากอันนี้คือคือเขาน่ารักอะ่ะอะไรทำให้คนน่ารักเพราะคุณธรรมกก่าคือพรหมวิหารอยู่ในใจ ทำไมเด็กไม่อยากจะเข้าหาเราเจอหน้าเราวิ่งหลบบ้างอะไรบ้างเนี่ยเป็นเพราะอะไรเพราะเราไม่มีเมตตาคนไม่มีเมตไม่มีหลักพระมิหารธรรมในในชีวิตเนี่ยนะเด็กเขาไม่เคารพอันนี้แปลว่าเราเนี่ยยังไม่ประสบความสําเร็จของชีวิตนะทาอย่างไรให้ประสบความสําเร็จในชีวิตก็คิดเมตตาให้เกิดในใจเยอะ พอเมตตาเกิดในใจเบีเสร็จแล้วอย่าให้มันอยู่แต่ในใจแต่ให้มันออกมาทางกายออกมาทางวาจาออกมาทางสีหน้าแล้วแววตาใช่จไหมเราเวลาคุยกับเขาพูดกับเขาเรามีเวลาอยู่กับเขาไม่ใช่น้อยเลยนะความเป็นครูใช่ไหมใช่วันวันหนึ่งเราจะต้องปฏิสัมพันธ์กับ น, นักเรียนเนี่ยมากจริงๆฉะนั้นข้อแรกเลยจริงๆเนี่ยความคุณสมบัติความเป็นครูจริงๆคือน่ารัก แค่เราไปโอบไปกอดเขาหรือไปจับเขาไปถูกเนื้อต้องตัวเขาเนี่ยด้วยความโกรธเขาก็รู้สึกนะว่าเราโกรธเขาถ้าหรือเราไปปฏิกิริยาแค่มองหน้าเขาด้วยความรักด้วยความปรารถนาดีด้วยความเอือ้ออาทอนเนี่ยมันก็ออกจากแววตาเนอะเขาเรียกมีปีญญาจากสุขมีแววตาที่น่ารักถามว่าเรามองนักเรียนแต่ทุกคนทุกคนเนี่ยเรามองแล้วเราเรารักเขาไหม รักแบบจับจิตจับใจหรือว่ารักหรือว่ามองหน้านักเรียนทีไรก็เครียดทุกทีเอาเป็นยังไงกันยากไปแล้วตรงนี้มันอยู่ที่ความเข้าใจที่เราจะสามารถที่ว่าความสนิทสนมเป็นกันเองอ่ะนี่เขาเรียกน่ารักไอ้ความที่น่ารักได้แปลว่าอะไรแปลว่าคนที่เป็นครูทั้งหลายเหล่าเนี้ยสามารถที่จะทําเมตตาเกิดขึ้นในใจ ได้จริงเพราะความดำริดังที่ได้กล่าวไว้แล้วเรามองจุดเด่นเขาเช่นเด็กที่เขาดื้อเนี่ยแล้วก็มองจตจุดเด่นเขาได้เห็นความเห็นจุดเด่นของเขาที่เขาสนเขาดื้อเนี่ยแล้วก็บอกเออนี่ไงเขาต้องเป็นเด็กฉลาดเขาถึงสนแล้วดื้ออย่างนี้ใช่ไหมล่ะไม่ใช่เป็นลคาญเขา หรือบางคราว เ, เด็กบางคนเนี่ยเขาอาจจะพูดเก้าร้าวอะไรต่างแล้วก็เห็นจุดเด่นเขาว่าเออนี่เขาคนเข้มแข็งนะเนี่ยยังไม่เล่เากก็เห็นจุดเด่นแต่ทั้งหมดเหล่านี้เพื่อจะทําให้เมตตาเกิดในใจแล้วเราจะต้องเป็นที่น่ารักขึ้นหน้าเคารพประการต่อมาคือครูมาจากคาว่าครูเนี่ยครหรือครูเนี่ยเขแปลว่าหน้าเคารพเคารพในที่นั้นก็คือเป็นคนหนักแน่น ถือหลักการเป็นสําคัญและมีความประพฤติสมควรแก่ฐานะทําให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นเป็นที่พึ่งได้และปลอดภัยถ้าเรามองอย่างนี้จะเห็นนะว่าเออคนบางคนเนี่ยมันได้แค่รักไม่พอไงต้องพัฒนาตนเองว่าต้องน่าเคารพด้วยถ้าเขาเคารพเนี่ยให้สังเกตดูนะว่าเราทั้งพูดกับเขาทั้งทําให้กับเขาทั้งคิดที่ดีๆกับเขาเนี่ย ทั้งกายเราก็กระทําเป็นไปกับเมตตาความรักหรือกรุณาก็ว่าไปตามลําดับประพฤติปฏิบัติต่อเขาทั้งวาจาแล้วก็ขับเน้นในใจที่เป็นกุศลนั่นและแล้วประพฤติประโยชน์แกเขาเออทากิจกรรมต่างๆร่วมกับเขาเราจะไม่ต้องไปอย่าไปกังวลว่าโอ้โหทําไมทางกระทรวงศึกษาธิการเขาห้ามตีเด็กเนี่ยอย่าไปกังวลการตีเด็กทําให้เด็กเสีย หลักการของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยถูกต้องแต่วิธีการต้องแก้ไขเพราะต้องเอาคำสอนพุทธเจ้าไปจับประเด็นให้ถูกมันถึงจะขับเน้นได้จริงฉะนั้นกรณีที่บอกว่าไม่เลี้ยวเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยแมส้สักน้อยก็ไม่มีประโยชน์ยิ่งทำให้เขาเสียยิ่งทาให้เขาต่อต้านเราเนี่ยชอบใช้โทระแทนอานาจ เช่ถลึงตามองเลิกเสียไอ้คำคำนี้ไอ้ไอ้ไอ้วิธีแบบเนี้ใช้สายตาค้อนใช้สายตาด่าใช้หน้าด่าใช้หน้ายุ่งยุ่งใช้หน้านิ้วคิ้วขมวดใช้ปากสัน่นเนี่ยนะอาการแบบนี้ก็ให้เลิกไม่มีอำนาจจริงมันจะทําให้หมดอำนาจโทสะทําให้หมดอำนาจท่องไว้ในใจนะโทสะนี่ทําให้หมดอำนาจแต่เมตตานี่ทําให้อำนาจมากขึ้น ความรักความปรารถนาดีความเอือ้อทอนแบบจับจิตจับใจเนี่ยจะทําให้มีอานาจความการุณาสงสารคิดปรารถนาช่วยเขาจากความทุกข์ความโง่ความไม่รู้จะทําให้มีอานาจมุทะตาเมื่อเขาประพฤติปฏิบัติประสบความสําเร็จจะทําให้มีอํานาจวางใจเป็นกลางเมื่อเขาเมื่อเราไม่สามารถที่จะช่วยเหลือเจริญเขาไดเ้เป็นต้นเหล่านี้การวางใจที่เป็นใบกุศล่ยจะทําให้สถานภาพคุณภาพหรืออํานาจเราเพิ่มขึ้น แล้วจะเป็นบุคคลที่น่าเคารพเข้าจใจว่าก็ไปฝึกถ้าไม่เข้าใจตรงนี้นะถ้าเขามีการบันทึกเทปก็เอาไปฟังบ่อยๆมันจะได้ขัดเกลาตัวเองแล้วทำได้มันจะประสบความสาเร็จนี่เรื่องจริงนะก็เราต้องเกี่ยวข้องกับสังคมเกี่ยวข้องเราจะต้องทำหน้าที่ครูอีกนานไหมเนี่ยนานไหมทำอีกนานไหมโยโอ้ทาทั้งชีวิตนั่นแหละ พอมันติดไปแล้วถึงเรากรเกษียณอายุเสร็จกลับไปบ้านก็นต้องไปสอนสอนลูกถ้าไม่มีลูกให้สอนก็สอนใครจับสามีมานั่งสอนไป <c oughs> <g iss ues> ใช่ไหมก็ <c oughs> ต, ตรงนี้ก็คือนี่ไงเอาทางโลกเนี่ยวิธีการเ็าจะให้คนอื่นยอมเขาเนี่ยเขาใช้กำลังใช้โทรศะ ใครมีโทรศัมากเท่าไหร่ก็สามารถข่มเขามากเท่านั้นวิธีการนั้นมันผิดมันทําให้หมดอํานาจครูที่เจ้าโทรศัพท์ทั้งหลายนักเรียนไม่เคารพจริงจริงไม่จริง ไ, งไอ้ที่บรรดาฝ่ายปกครองอะ่ะเนี่ยดูฝ่ายปกครองทั้งหลายเลยเนี่ยไม่ค่อยประสบความสำเร็จหรอกเอานั่งอยู่นี้ไม่ทราบมีใครเป็นฝ่ายปกครองม้างเออว่าง่ายจริงไหมล่ะ โทสะเนี่ยจำไว้ทำให้หมดอํานาจโกรธเนี่ยทำให้หมดอํานาจแต่ถ้าเมตตาเนี่ยทำให้มีอํานาจเมตตาเขามีปัญญา น, นาําหน้าเพราะเมตตาเขาจะจัดการอะไรได้เขามีวิธีการมีเทคนิคมีวิธีการแต่ไม่ได้เป็นไปกับโทสะเอาไว้คุยเป็นการส่วนตัวแล้วจะบอกวิธีการดีไหมล่ะเออเวลา แล้วปรึกษาครูบาอาจารย์เขาว่าเออเขาทำยังไงอํานาจถึงเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วแล้วเราไปสร้างภาพกันไม่ดีด้วยนะเช่นบางทีเราสร้างให้กันนักเรียนใช่ไหมเราไม่วิธีการอื่นเนี่ยเขาเราียกตีบตันวิธีการแล้วเนี่ยก็บอกว่านี่เป็นฝ่ายปกครองนะเอาจริงนะคนค น, นี้เอาจริงนะแครูเด็กเนี่ยนะนะข้าวนะข่าคนที่เป็นฝ่ายปกครองเขาทำหน้าตาบึ้งๆกันว่พอเดินก็มานักเรียนก็นเงียบกลิ้แล้วก็มองไป มองไปตรงไหนไปนักเรียนแบบว่าไม่ไม่ขยับตัวเลยแล้วก็นึกว่าโอ้โหเนี่ยเรายิ่งใหญ่มากแต่วิธีการนี่นมันผิดอัมเคารพจริงๆเนี่ยเขาอยากจะเห็นถ้าฝ่ายปกครองเนี่ยนักเรียนทั้งโรงเรียนถ้าจะวิ่งเข้ามาหาเลยคือเขารักมากเหมือนจากเราไปนานแล้วเกิดมาอยู่ใกล้แล้วก็มีความสุขมากเป็นอย่างนั้นแหละ อันนี้เป็นเรื่องจริงนะมันเกิดขึ้นจริงๆอย่างนั้นพระลูกก็คือหน้าเคารพประการต่อมาคือคุณธรรมขอ ง, ของครูคือภาวนิโยก็มาจากคำว่าภาวนานี่ยแหละแปลว่าหน้าเจริญใจหรือคือมีความรู้จริงมีภูมิปัญญาอย่างแท้จริงและเป็นผู้ฝึกฝนปรับปรุปรงตนเองอยู่เสมอเป็นผู้ที่น่ายกย่องควรทาให้สิทธ์เอ่อยอ้างาก็กลําลึกถึงด้วยความทราบซึ้งมั่นใจแล้วก็ภาคภูมิใจ ตรงนี้ก็คือเวลาลูกศิษย์คิดถ้งเราเนี่ยเ ข, เขาเาเจริญใจมากเลยเขาชื่นใจมากๆไปที่ไหนเขาจะพูดถึงอาจารย์ของเขาเขาประทับใจมากประทับใจในอาจารย์ก็คือความรู้ก็จริงอ่ะมีปัญญาด้วยเพราะคนที่เป็นอาจารย์เนี่ยหลักวิชาการความรู้ทักษะความรู้ความสามารถ โอ้โหน่าทึ่งมากน่าทึ่งคือเป็นอาจารย์เขาได้ไม่ใช่แค่รู้แค่ในตำราอย่างเดียวรู้แม้การใช้ชีวิตจริงรู้แม้ปัญหาเกิดขึ้นกับเขาแก้ปัญหาให้เขาได้ด้วยแนะวิธีการแก้ปัญหาไว้ด้วยคำว่าเป็นคาว่าภาวนิโเนี่ยคือน่าเจริญใจเขาประทับใจอาจารย์เขามากเช่นนักเรียนก็ไปมีปัญหาเรื่องความรักนักเรียนก็ปรึกษาอาจารย์เออเป็นไง หนูผิดหวังอาจารย์บอกเอออาจารย์ก็ผิดหวังเหมือนกันว่าไงหนูอยากตายอ่ะเอออาจารย์ก็คิดเหมือนกันหาที่ไหนดีไปด้วยกันไหมอย่างนี้เป็นไงเนี่ยใช่ไหมเราเร า, เราก็มีเราก็หรือเขามีปัญหาเรื่องครอบครัวส่วนใหญ่ญหนะก็มีปัญหานะชีวิตคน้นเขาผิปัญหาถูกกดดันแรงายในครอบครัวแล้วเขาบอกเออวิธีการไม่ยากหรอกแล้วก็แก้เลย ไม่ใช่หรอมืปรึกษาอะไรชั้นนี่ยฉันก็มีปัญหาเรื่องครอบครัวเหมือนเดนนี้ฉันก็เครียดนีนเนี่ยตอนเนี้แฟนชันก็ยังไม่กลับบ้านอย่างนี้มาปรึกษาเดี๋ยวว่าตีซะเลยจะไปเล ย, ดยเดี๋ยวนี้เนอะเพราะงั้นคนเป็นอาจารย์ต้องน่าเจริญใจลูกศิษย์ที่จบไปจบไปเนี่ยก็โทรหาเราบ่อยไหมไปหนะ้าที่ไหนไปนเสร็จบางทีเขาไปมีปัญหาเขาโตขึ้นมาเขาก็ไม่ลือมอาจารย์ ปรึกษาอาจารย์เนี่ยหนกเป็นอย่างนี้ไงน่าจเจริญใจเป็นแบบนี้ไม่ใช่เมื่อไรเนาอจบจบจากชั้นนี้เลยเจอหน้าครูคนนี้มาที่ไรเราโอ้เราก้มใจเหลือเกินวัตตาในที่นั้นนะนะรู้จักพูดให้ได้ผลก็คือรู้จักชี้แจงให้เขาเข้าใจรู้ว่าเมื่อพูดอะไรอย่างไรคอยให้คําแนะนํากล่าวตักเตือนไปที่ปรึกษาที่ดีได้วัตตาคาจริงๆคําว่าวัตตาเนแปลว่าเป็นผู้ว่ากล่าว เป็นผู้ว่ากล่าวคำว่าว่ากล่าวในที่นี้ก็คือใช้คำพูดเป็นนะใช้คำพูดเป็นก็ชี้แจงให้เขาเข้าใจได้ไม่ใช่ว่ายกตัวอย่างเช่นเด็กเขาทะเลาะ ก, กันคนที่ไม่มีวัตตาเนี่ยพูดให้เขาดีกันไม่ได้นะเด็กขัดแย้งกันแท้แท้เนี่ย แล้วเข้าไปเบีดเสร็จเรียกมาไหนใครผิดเนี่ยใครทําก่อนใครทําก่อนใช่ไหมคนที่ไม่มีวัตตาเนี่ยอา้อาวไอคนนี้ทําก่อนใช่ไหมหน้าเข้าหน้าเข้าอ้าวหันหน้าข้อหากันอา้าวเคหัขว่ากลับคืนสักทีโอ้โหเขาโกยกันตายเลยแต่นี้ใช่ไหมละ่ะนี่ไม่ไ ม, ไมีไม่มีวัตต า, ารู้จักว่ากล่าวก็คือรู้จักชี้แจงให้ได้เหตุได้ผล จนเขารู้สึกสำนึกในความผิดที่เขาทำเนยะสำหรับคนผิดแล้วก็รู้จักจะกล่าวจะขอโทษอีกฝ่ายหนึ่งชี้แจงและไม่ได้ชี้แจงด้วยโทสะบางคนเนี่ยเด็กทะเลาะกันเนี่ยกลับมานั่งบอกแล้วก็ไม่ฟังไม่มีวตาเนียไปพูดด้วยความโกรธเข้าใจไหมเนี่ย ก็คือชี้แจงบอกเหตุผลบอกหลักการบอกวิธีการเขาอย่างไรว่าเขาทาผิดอย่างไรก็ชี้แจงบอกเข้าไปรายละเอียดมันเยอะแต่ละข้อเนี่ยใครสอนนักเรียนนักเรียนทะเลาะ ก, กันในห้องมีไหมแล้วโกรธไหมโกรธไม่โกรธเวลาไปคุยหรือจะแนะนําให้เขาดีกันน่ยพูดด้วยความโกรธไหม แล้วเมื่อแนะนําบรเสร็จแล้วก็กลับมายิมย้มแย้มแจ่มใสกันเข้าใจกันได้อย่างลึกซึ้งไหมฮะอ๋อบางทีมีผลกระทบเลยนะมีคนที่ไม่มีวัตตารู้จักว่ากล่าวเนี่ยก็คือชี้แจงเหตุผลได้ชัดเจนก็คือจิตใจที่เยือกเย็นด้วยมีความสุ ข, ขุมรอบคอบ มีหลักการใช้คำพูดที่ถูกต้องที่ดีงามเอาต่อมาคือวัจนาคโมนี่ทนนะอดทนต่อถ้อยคาก็คือพร้อมที่จะรับฟังปัญหาให้คำปรึกษาสักถามไม่จะพบเรื่องจุกจิกตลอดคำล่วงเกินคำตักเตือนคำวิพากษ์วิจารต่างๆก็ทนฟังไม่เบื่อหน่ายไม่เสียลมก็คือไม่เครียดนะ่ะเออวัจนาโมนี่แปลว่าทนนะมีความอดทนแบบเออ อดทนแบบเอาเดี๋ยวถามเรื่องขันติพวกเราหน่อยถ้ามีใครมาว่าแต่เราโกรธแต่เรานิ่งโกรธนะแต่เราเก็บความโกรธไว้ในใจกับ น, นิ่งกั้นกันไว้อันนั้นเรียกว่าอดทนไหมอา้าวฟังอีกรอบนึงถ้ามีใครมาตําหนี่มีใครมาว่ากล่าว มีใครมาบอดีาพาดด่าว่าเราเสียเสียหายแต่เราไม่ตอบแต่เราโกรธเก็บความโกรธไว้ในใจก็นิ่งอยู่การกระทําลักษณะนี้ชื่อว่ามีขันติใช่หรือไม่ไ ม, มีไม่มีเอาใครใครบอกว่ามียกมือขึ้นใครบอกว่าไม่มีเออถ้าอย่างนั้นอดทนคืออะไร เขาพูดมาก็หัวล้อใส่เขาแฮห่ๆอย่างเงี้ยบคาว่าขันติเนี่ยคืออย่างนี้นะเราอาจจะแปลคำว่าขันติก็คือว่าสภาพของขันติเนี่ยกาแปลหลายนัยยะแปลว่าอดทนแปลว่าอดกลั้นเป็นทำเครื่องเผาบาปเป็นตะบะอย่างยิ่งแต่ให้ได้ใจความยอมรับได้ คำว่าอดทนก็คือการยอมรับได้ด้วยปัญญาแต่ไม่ใช่เป็นการยอมรับได้ด้วยโทสะก็คือต้องไม่โกรธยอมรับฟังเหตุผลได้ยอมรับฟังเหตุผลพร้อมที่จะรับฟังปัญหาให้คําปรึกษาสักถามแม้เรื่องจุกจิกก็ไม่เบื่อก็ไม่แสดงความเกลียดกราดออกมาแล้วก็ คำล่วงเกินเช่นนักเรียนอาจจะด่าเราหนักๆเลยก็ยอมรับได้ด้วยปัญญาแต่ก็พิจารณาว่าเออเราจะทำให้เด็กคนนี้ไม่ก้าวร้าวอย่างไรแต่สภาพจิตใจก็ไม่ทุกขณร์คำว่าอดทนเนี่ยสภาพจิตใจต้องไม่ทุกเณรเพราะมีปัญญาเข้าไปพิจารณาวิจัยเขาเรียกว่าวยอมรับได้ด้วยปัญญาพร้อมที่จะ รับคำตักเตือนและคำวิพากษ์วิจาร์วิจารณ์ต่างๆเลยอดทนฟังได้ไม่เบื่อนายไม่เครียดเห็นไหมอดทนจะไม่เครียดไม่เครียดภาษาเราเขาเรียกไม่เสียอารมณ์ก็คือไม่เครียดถ้ามีใครว่าก็เครียดมีใครด่าก็เครียดมีใครกล่าวเช่นเราสอนหนังสือให้นักเรียนพูดให้นักเรียนท่องให้นักเรียนส่งการบ้าน นักเรียนไม่ส่งก็เครียดอันนี้เรียกว่าอดทนไหมเขาเรียกไม่อดทนเพราะไม่ได้ยอมรับได้ด้วยปัญญาฉะนั้นอดทนต้องยอมรับได้ด้วยปัญญาด้วยเนะาะอภิการที่หกคำพีรันจากกระถังกรตาแสดงเรื่องลึกล้ําก็คือสามารถชี้แจงเรื่องต่างๆที่ยุ่งยากลึกซึ้งได้ให้เข้าใจได้สอนเสร็จให้รู้ถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์และที่มีความยากลําบากลึกซึ้งขึ้นไปได้ด้วย ตรงนี้ก็หมายความว่าสามารถที่จะขบปัญหาชี้แจงปัญหาเจาะประเด็นปัญหาที่ลึกซึ้งได้ถ้าในชั้นของระดับพระนี่ก็คือสามารถเจาะทะลุทะลวงคําสอนแบบเชิงลึกได้เลยไม่ใช่สอนแบบกว้างๆอะเชิงลึกก็ได้นะเจาะลึกก็ได้เข้าถึงแก่นแท้ของปัญหาที่แท้จริงก็ได้ไอเดียนะอันนี้เราก็ให้เข้าใจไม่ใช่สอนแค่หนังสือสามารถเข้าใจกับชีวิตด้วยปัญหาของชีวิตด้วย และสามารถที่แก้ปมปัญหาของชีวิตที่ยากเย็นได้ไ ด, ไ ด, ไ ด, ด้วยลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าชํานาญลึกล้ําเช่นอ่านคำอ่านอ่านตำรานี่นะอ่านหนังสือเนี่ยพอสมมติสอนประวัติศาสตร์ชี้แจงประวัติศาสตร์แบบเชิงลึกได้ด้วยลักษณะนี้เขาเรียกว่าเจาะเชิงลึกได้เจาะมุมปัญหาแล้วก็สามารถเอามาเป็นประเด็นแห่งการพัฒนาวิธีคิดได้ด้วย อายกตัวอย่างไงดีอ่าค อ, อยกตัวอย่างนะว่าเออบางทีเราเราสอนประวัติศาสตร์ในบ้านเราเนี่ยก็ประวัติศาสตร์แล้วก็ลําเอียงก็บ้านเราอย่งไม่ต้องใช่ไหจประวัติศาสตร์มนุษย์เขียนขึ้นเนี่ยไปประเทศอื่นเขาก็เขียนประวัติศาสตร์ลําเอียงไหมแล้วก็สามารถจะสอนแล้วก็ชี้แจงให้เด็กเข้าใจเออประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์มันซ้ํำลอยตัวมันยังไงยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะพูดถึงประวัติศาสตร์ในการเสียกุลงใช่ไหมล่ะแล้วก็สามารถที่จะชี้แจงว่าเออทําไมเนี่ยเราชวงศ์อู่ทองทั้งหลายเนี่ยที่ล่มล่มสลายไปในเพราะอะไรแล้วก็สามารถเจาะเชิงลึกให้เขาเห็นได้ว่านี่ไงไอความแตกสามัคคีภายในมันเป็นผลเสียยังไงฉะนั้นเอกกรณีความแตกสามัคคีกันเนี่ย ความลิษยากันก็ดีเนี่ยความตะนีหวงตําแหน่งตนเองหรือความลิษยาที่มันเกิดขึ้นมาในภายในมันมีหนอนอยู่ภายในขึ้นมาแล้วมันก็แตกสามัคคีกันที่สุดจริงๆเน่ยไอ้ความสามคัคคีความเป็นปรึกแผ่นมันก็พังแล้วก็เจาะประเด็นให้นักเรียนเขาเห็นว่าแม้ในบ้านเราหรือในเมืองเราหรือในหมู่บ้านเราถ้าเราเกิดไปแตกสามัคคีกันแล้วก็ด้วยความลิษยากันเนี่ย ไม่อยากให้คนอื่นได้ดีหรือห่วงตำแหน่งห่วงสถานภาพตัวเองเนี่ยที่สุดจริงๆแล้วเราก็ใส่ร้ายป้ายสีอีกพวกหนึ่งแล้วก็กดดายอีกพวกหนึ่งแล้วก็พูดให้มีการแตกแยกกันสถานการณ์หรือส่วนรวมต่างๆก็ไม่สามารถที่จะรวมกันเป็นปึก เ, เป็นแผ่นได้ที่สุดจริงเราก็เสียฉะนั้นอย่างนี้เราก็คือว่ามองมองมองเชิงประวัติศาสตร์ มีการล่มสลายแต่ละยุคแต่ละสมัยว่ามันมาจากอะไรแล้วก็สามารถเจาะเข้าไปถึงเชิงลึกให้เขาเห็นแล้วก็เราจะแก้ไขสถานการณ์อย่างไรที่จะไม่ให้ประวัติศาสตร์แบบนี้มันซ้ารอยตัวมันเองอย่างใช่ไหมล่ะจะไม่ให้เกิดความเลวร้วายเกิดขึ้นและมันเป็นบาปเป็นอกุศลอย่างไรผลแห่งการทําบาปตนเองจะต้องได้รับอย่างไรเป็นต้นก็ชี้แจงบอกเขาใช่ไหมใชะอันนี้ก็จะเจาะเชิงลึกได้ประการต่อมาก็คือโน จัดฐานีนิโ ย, ยเยไม่ชักนำในอาถานะก็คือไม่ชักจูงในทางเห็นผิดความเสื่อมเสียความเหลวไหลไร้แก่นสารตรงนี้ก็พระพุทธเจ้าก็สอนไว้เห็นไหมว่าหลักการตรงนี้ก็คือครูอาจารย์ก็ต้องไปคิดเอาไปปฏิบัติทีนี้ในลักษณะของการสอนก็บอกรายละเอียดค่อนข้างไว้เยอะเลยเนี่ยเราก็ไปอ่านด้วยนะหนังสือเนี่ยนะเอกสารเนี่ย เอาไปอ่านทำความเข้าใจเยอะๆพระเจ้าบอกว่าตั้งใจประสิทธิ์ความรู้ตั้งใจอยู่ในธรรมคู่สแสดงหลักเหมือนหลักการแสดงธรรมเลยการสอนหนังสือก็ให้วิชาการที่ไม่มีโทษเนี่ยสอนมีขั้นตอนมีรนดับสแสดงหลักธรรมหรือเนื้อหาวิชาการตามเริ่มจากง่ายไปหายากสุขุมลุ่มลึกให้สัมพันธ์กระเหตุและผลเป็นไปตามลาดับยังไงวิธีการอธิบายก็บอกเหตุบอกผลค่อ้เกิดความเข้าใจ จับจุดสำคัญขยายให้เข้าใจเหตุผลชี้แจงยกเหตุผลมาแสดงให้ชัดใน แ, แต่ละอย่างแต่ละประเด็นก็ขยายมองเห็นจนกระจ่างตามแนวของเหตุผลให้ชัดขึ้นฉะนั้นยกตัวอย่างเช่นนะวิธีการเนี่ยเออบางทีบางทีเราเราพูดเรื่องทานกุศลพูดมาตั้งเยอะใช่ที่จริงวันนี้กับช่วงบ่ายนิดนึงจะจับประเด็นเรื่องทาน การให้ทานที่ให้ด้วยความเลื่มยอมใสยังไงให้ด้วยความเคารพอย่างไรให้ถูกกาลเวลายัางไงให้สลาขาดอย่างไรแล้วก็ให้โดยการไม่กระทบตนและบุคคลอื่นเนี่ยจะได้ชี้แจงประเด็นตรงนี้ให้เข้าใจชัดแล้วหลังจากชี้แจงก่อนสักประมาณไม่ถึงชั่วโมงดีเนี่ยพอเราไปแยกกลุ่มทีนี้เราก็ไปถกรายละเอียดอย่างเงี้ยนะก็ต้องการจับประเด็นตรงนั้นให้พวกเราได้เกิดความเข้าใจแต่ตรงนี้ก็เหมือนกันในการชี้แจงเหตุผลเนี่ย เป็นเรื่องสำคัญประการต่อมาคือว่าตั้งจิตเมตตาสำคัญมากนะการบอกสอนเนี่ยทุกครั้งต้องฝึกการเจริญเมตตาให้เป็นนักสอนทั้งหลายเนี่ยให้ความรู้แก่เขาเนี่ ย, ยปรารถนาดีสอนเขาด้วยจิตที่เมตตารัากปรารถนาดีมุ่งให้เกิดประโยชน์หวังดีกับเขาแต่ไม่ใช่ว่าพอไปหวังดีการหวังดีเนี่ยมันหวังดีด้วยตัณหาก็มีเนาะ เช่นหวังดีด้วยตัณหาหวังดีด้วยความโลภเนี่ยพอเราหวังดีไปเสร็จพอกําลังสอนสอนไปอีกคนหนึง่งลูกเดินอีกคนหนึง่งไม่สนใจฟังแล้วก็โกรธขึ้นมาเลยไอ้เนี่ยเราเห็นชัดโอ้ยความหวังดีก่อนหน้านั้นมันไม่ใช่เมตตาถ้าเมตตาจริงจะไม่โกรธแล้วเข้าใจเขาเข้าใจก็ให้สังเกตหยุดคำหนึง่งก็คือว่าเวลาเราไปสอนหนังสือให้ถามจริงฮะเราคิดถึงเงินเดือนตลอดเวลาไหม ไปสอนหนังสือเออเนี่ยที่เราสอนทั้งหมดเพราะไอ้ค่าจ้างนี่แหละถ้าไม่ได้ค่าจ้างอย่าหวังเลยฝนตกอย่างนี้กูจะมาขอไปนะคิดอย่างนี้ไหมคิดมาคิดอย่าคิดอย่างนี้การสอนหนังสือเป็นบุญไหมเป็นไม่เป็นเออเป็นกุศลเป็นความดีให้ขนขวายกวีกว่าตื่นแต่เช้าเพราะเป็นความดีวันนี้เราจะไปทำความดี สร้งใจโหจิตใจปลาโม่เต็มที่เลยไม่ได้มาด้วยความเบื่อหน่ายมาด้วยความรักด้วยความปรารถนาดีว่เาเราจะไปเจริญกุศลเราได้ทำดีทุกวันเราให้วิชาการที่ไม่มีโทษเราไปเป็นแบบอย่างที่ดีของนักเรียนโอ้หน้าชื่นใจใช่ไหมล่ะแล้วเราก็มุ่งเห็นไหปรารถนาดีกับเขาเนี่ยเราไม่เห็นแก่อมิสเซนจ้างแต่กติกาเงินเดือนนั้นมันเป็นผลโดยอ้อมใช่ไหมล่ะ แต่คุณความดีที่เราจะไปปฏิบัติทางกายทางวาจาและทางจิตใจที่มีความมุ่งมั่นที่มีความปรารถนาดีต้องการอยากจะให้เขาได้รับความรู้ได้รับความเข้าใจอย่างลึกซึ้งอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำอันนี้เป็นผลโดยตรงและเราก็จะได้มีทักษะความรู้ความสามารถความชำนาญเข้าใจปัญหามากขึ้นเป็นแบบอย่างให้นักเรียนที่ดีมากขึ้นสามารถแก้ปัญหาชีวิตของคนได้มากขึ้น และกระแสะชีวิตของเราก็จะได้เจอสิ่งที่ดีงามด้วยเพราะกุศลกรรมที่เราทําเป็นความดีใช่ไหมล่ะอันนี้เราก็ขับเน้นที่ผลโดยตรงหรือผลโดยอ้อมผลโดยตรงแต่เราไปเอาความสุขของเราไปไว้กับผลโดยอ้อมตายเลยกว่าเดือนจะกว่ากว่าเงินเดือนจะออกนานไหมนานไม่นานนานนี่ไม่นานนานเนียนไหม บางคนกลับไปก็โอ้ยเม i i ื่อไรจะออกสอนหนังสือชักไม่รู้เรื่องแล้วตาก็ลายเขียนหนังสือจะไม่ถูกเลยเนี่ย <S <S <แ>ก็ก็วางใจไป <S <S 2> <S 2> ตรงนี้ก็คือว่าไม่เห็นแก่มิสสินจ้างแต่หลักการไอ้ตรงนี้นะถ้าหาว่าครูอาจารย์เราเนี่ยหรือว่าทุกระดับที่นะชาวพุทธนี่นะพฤะการต่อมาคือวางใจไม่กระทบตันและบุคคลอื่น ตรงยี่สอนไปตามหลักการนะมุ่งเนื้อหามุ่งแสดงอัฏาธรรมะไม่ใช่เอาตำแหน่งความรู้ความเป็นอาจารย์เป็นตนของตอนเองไปไ ป, ไปข่มคนอื่นอย่างนี้เปน็นต้นก็ก็พอจับประเด็นได้ตรงเนี้ยนะยากไหมยากไม่ยากเอาปันมมือขึ้นนาไม่ยากอุทิศส่วนกุศลกันหน่อย